بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونعقبه للمتقين و ا ل ا ع ض و ا ن إلا ا ل ظ ا ل م ي ن ونصلي ونسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركات ที่ผ่านไปแล้วจะสิบอายุหันในส ورة ยูนุสเต็มไปด้วยพระดำรัสของราสุบฮานะฮุตาลาที่เป็นคำลังใจให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวาลลอฮุซซัลลัมในการทางานศาสนาคงกาน ซึ่งการให้กำลังใจมาในหละรูปแบบในการพูดถึงความไรเหตุผลของผู้ที่ปฏิเสธท่านนบีเพื่อให้ท่านนบีได้มีความสบายใจว่าที่เขาปฏิเสธนบีเนี่ยไม่ใชีว่ามีน้ำหนักนะที่เขาปฏิเสธ บางทีมาในรูปแบบให้กำลังใจท่านนบีลาลฮอลียวซัลลในคุณค่าของกุอานของอุษานนั้นมีมีความสำคัญเหนือกว่าความสำคัญคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่มที่จะปฏิเสธคือให้ท่านนบีมองถึงภาพพท ของการทำงานของท่านนาบีสุล่าอเซมุ่งไม่ได้ไม่ได้มาเจาะจงเฉพาะกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันก็ทำให้ท่านนาบีได้สบายใจได้สบายใจมากเลยว่ากเรชแนวนาจะเป็นคนใกล้ชิดของท่านนาบี เป็นเผ่าพันธุ์เป็นสายตระกูลท่านนวีแท้ๆเลยนะแต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบรรดาประชาชาติทั้งหลายที่ท่านนวียังต้องทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนากับเขาและเรื่องนี้มันก็มีมีน้ำหนักสำหรับคนที่ทำงานศาสนาทุกสมัย บางทีเราเราเดาว่าคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มนั้นก็เพิกเฉยไม่ฟังอาจจะไม่ขั้นปฏิเสธนะแตก็ไมไม่สนใจอะ่ะเช่นชวนชวนเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนมาละหมาดอย่างเงี้ยเพื่อนก็ไ ม, ไม่เอาไม่เอาด้วยเพื่อนประเภทแบบนี้ ให้บางคนนี้มันมันเข่งเกินไปคือถ้าถ้าไปลึกกับบางนี่เนี่ยก็คงคงต้องไปออกดาวะแน่ก็ให้รู้จักเบลแบบผิวเผินนั่นแบบห่างๆกันนะแน่นอนบางคนนั่นก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะชวนไปดาวะเลยขอให้ละหมาดอย่างเดียวก็พอ แค่ละหมาดนี่ละหมาดนี่มันก็มันก็หนักหน่วงพอสมควรถนะ้าสาหรับคนที่ไม่เคยละหมาดเลยหรือไม่เคยละหมาดนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไอ้บางคนนี่เนี่ยก็เหมือนเหมือนแฟนทิ้งเลยอะโอคัะดูดิผมไปชวนเขาละหมาดเขาก็ไม่ไม่มาไม่มีใคร ไม่มีใครมาเป็นกำลังใจให้เลยเหมือนเขาจะมละหมาดให้เป็นกำลังใจให้ตัวเองอ่ะนะแลก็ละามาก็ละหมาดทุฮันดิไม่ได้ละหมาดให้เป็นกำลังใจกับคนที่ดาวะอกหักเลยอ่ะเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนไม่เอาด้วยก็เหมือนเหมือนถั่วไปอะไรเวลาเพื่อนชวนไปเล่นบอลแล้วก็เพื่อนสลิดนี่มันกูไม่ไปกูไม่โอกหักชวนไปเล่นบอลมันไม่มา โอ้ยไปเรื่องเลยบางคนเนี่ยเป็นเครื่องเลยนะาบางคนก็ถือนิสัยเดิมเดิมมาล่ะ ว, ว่าถ้าเพื่อนขัดใจนิดนึงกันเป็นเรื่องเลยเป็นกันไหมเป็นไหมเป็นแบบนี้ไหฮะยิ้มหรือเป่าอะไรฮะยิ้มอีกแล้วเป็นเออ เป็นขัดใจนิดนึงนะยิ่งถ้าเป็นอาจารย์นะนะถ้าเป็นอาจารย์ตัวเองกนะนขัดใจนิดนึงกันโอ้โหเป็นเรื่องเลยอย่างตะโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่จะดาว่ามาลลามาที่จะดาว่าให้เป็นคนดีเนี่ยมีเฉพาะเฉพาะคนเนี้ยเฉพาะกลุ่มเนี้ยเอาเรื่อคนอื่นละ่ะคนอื่นละ่ะเคยไปเนราชการมาแล้วก็ยืนเถแถว ยืนต่อแถวต่อเดี๋ยวนี้เขาไม่ยืนอันนี้ก็มีเบอร์เบอร์นะเอออันนี้รุ่นๆุนรุ่นรุ่ น, ร, น, ร, นรุ่นต่อต่อแถวเดี๋ยวนี้เขามีคิวแล้วเขาไอ้นั่งสบายๆแล้วแต่ก็บางทีก็คิวยาวนะบางทีไปธนาคารไปเขตอะไรเงี้ยห้าสิบสามพอดูแล้วเนพะิ่งสิบห้าโอ้โห บางทีต้องไปถามเจ้าหน้าที่นะอ่ะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงละคิวเราแต่ต่อจากเรานี่มีคิวเยอะใช่ไหมถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาเราทำได้โอ้นี้เอกสารยังยังขาดอีกเยอะเลยโอนี่ผมต่อคิววานนี้คืเพิ่งมาจองบอกเลยเราก็เถียงเขานะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ไม่ไหวจะคุยกับเราละแล้วลคิวยาเนะ เขาจะพูดยังไงวะเจ้าหน้าที่คนอื่นคนต่อไปทำไมเนี่ยเขามีหน้าที่คนอื่นเขาแล้วเขาไม่สนใจแล้วแล้วเวลาเนี่เขาจะต้องเขาจะต้องทํายอดใช่ไหมคนที่ทํากิจกรรมอะไรก็ต้องทํายอดถ้าเราในบางทีเนี่ยเสียเวลาเปืองความรู้สึกกับคนที่ปฏิเสธคนดีไม่ตอบรับดาวะถึงขนาดที่ ไม่เอาละไม่ทำงานละดาว่ากมันเสียอกเสียใจและสุดท้ายไม่ได้ผลไม่เอาละซึ่งเรื่องนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะดาลจะจ ะ, จะสั่งสอนท่านนาบีมุฮัมมัดโดยเอาอุทาหรณ์ของท่านนาบียูนุสนี่ใ น, น, นสุราเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ว่าที่ท่านนาบียูนุสไม่ได้ยืนยับแล้วก็ทําหน้าที่ตามที่อัลลอฮฺได้บอก แม้ว่ากลุ่มชนของเขานี่ปฏิเสธหมดเลยนะปฏิเสธหมดเลยนี่เป็นแสนคนน่ยไม่เอาท่านนาบีอูนุสนี่เหมือนท้องไงไม่อยากจะเล่าเรื่องท่านนาบีอูนุสเดืดูดืคิวมาคิวท่านนาบีอูนุสเพราะนี่จะเริ่มและเริ่มเล่าเรื่องราวของบรรดาทานบีและาศาสน์ทั้งหลายจากที่อัลลอฮฺสุฮานะอัลลอฮฺให้กำลังใจท่านนาบีตั้งแต่ตอนสุรษิอายาัดีเจสีบเนี่ย ยังไม่มีเรื่องราวด้านบดานบีรสซูลนะเป็นการให้กำลังใจชเชิงตะกะเชิงเหตุผลด้านปัญญาเหตุผลแต่นีจ้จะเป็นเหตุผลด้านประวัติศาสตร์หละแต่เริ่มต้นจากข่านนับีนวซึ่งเป็นรสซูลแรกที่ได้รับการปฏิเสธก่น อ, อนหน้านี้นี่ยไม่มีจากอับดุลเบียอับบาสบอกอร์วังท่นนานอบบีอดนนาดมกับข่านบีนวเนี่ยสิบศตวรรษหรือสิบรุ่น นบีนุ่นนี่ก็จะเป็นรุ่นแรกเลยนบีรุ่นแรกที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยจะได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการชีริกที่มันแพร่หลายหลังจากท่านนาบีอาดัมสิบยุคนี้นะยังไม่มีอะไชีริกเนี่ยพอมาเริ่มยุคท่านนาบีนุ่นเนี่ยเริ่มละชิริกนี่โอยเริ่มเยอะละอัลลอฮ์ก็เลยให้ท่านนาบีนุ่นมาทําหน้าที่ ท่านน บ, บีถูกปฏิสสเสธหมดเลย น, น, นี่กลุ่มชนของเานี่ยปฏิเสธแบบแบบนา่าเกลียดมากเลยดู๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่เราอยากจะได้บทเรียนก่อนจากการให้กาลังใจท่านน บ, บีลแลลมัลัะังตุอู่เราจนมาถึงอายะที่ดสิบเนี่ยของวัน น, นะนี้นะเจเอนี่ยจะเริ่มเล่าเรื่องราวของบรรดา น, น บ, บีรัสูลที่ถูกปฏิสเสธเป็นอีกรูปแบบในการให้กาลังใจท่านน บ, บี แต่ท่านถ้าท่านถูกปฏิเสธแล้วอ่ะนะนบีก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนท่านนี่นะก็ถูกปฏิเสธมาแล้วเามากระลังบอกกับท่านนาบีว่าต่อมาคนต่อมาคืออย่าไปเสียเวลาอย่าเปลืองเวลาออย่าเปลืองเวลาเพราะฉะนั้นท่านนาบีดาวะชาวกุรชาวกุรชสมิเอา ดาว่าหลายปีแล้วทาหน้าที่เต็มที่แล้วนะเจ้าก็ชาริ ช, รชไม่เอาไม่เอานี่ก็ไม่เป็นไรคนนี่มาทำฮัจที่มักกะนี่เนะี่ยมาจากทั่วคาบสมุทรอาดับเนี่ยนา บ, บีก็ไปดาว่านา บ, บีก็ไปเผชิๆๆ่กับเขาไม่เอาอ่ะมาจากท่วมนา บ, บีก็เจาะจองเลยไปต่ออิฟ ไ, ไปนู่นไปนี่เพื่อจะได้สุดท้ายนี่โกรชิชยืนยันว่า ถ้าจะอยู่ที่นี่อยู่อย่างนี้เนี่ยนะก็ไม่ไม่มีไม่มีใครเอาไม่เอาฉันก็ไปดิอินจุร่าไปมาดีนะเพราะมีคนเอาถ้าตัวเองไม่เอาเน่ยมีそうそうคนเอาถ้าไม่สนับสนุนนะไม่สนับสนุนศาสนาของพระเจ้านะมีเมืองอื่นคนอื่นสนับสนุนเป็นบทเรียนที่ดีมากสําหรับท่านนบีและบทเรียนสําหรับคนรุ่นหลังที่จะมามาทําหน้าที่เหมือนท่านนบีในการเผยพระอิสลามทําหน้าที่กับผู้คนนะนะ ให้เต็มที่แม้กระทั่งคนใกล้ใกล้ตัวเราพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเรานี่ดาว่าเขาดาว่าเขาแต่ถ้าเขาไม่เอาล่ะถ้าเขาไม่เอาเลยอย่าเสียเวลาทั้งชีวิตเนี่ยกับเฉพาะกลุ่มนี้อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีว่าอัลกุรอรีนเตือนคนใกล้ตัวแต่นบีไม่ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยเตือนเฉพาะกุเรชน่ะไม่งั้นน่ะ แต่ว่าขงกั้นมบีจะไปทั่วโลกเหรอซาฮาบะ้าไม่ได้บอกว่าอ๋เราเป็นอาหรับนี่เราก็เตือนเฉพาะคนที่คุยภาษาอะใช่ไหมถ้าซาฮาบ้าเขาคิดแบบนี้เน่ะนะเขาจบเลยนะคนซืนได้ฟังคลิปคนจีนคนจริงจีนเลยแลไม่ใช่จีนอุยกูด้วยนะจีนจีนเลยนะจีนแผ่นดินใหญ่นะจีนน่าจะปักกิ่งแวถวแถวปักกิ่งอ่านคุรุอ่าน เคยได้ยินพี่น้องกินห่อกุณอ่านไหมตัวรอนยังไม่มีเลยนะตัวรอตัวฮาตัวอะไรนี่ไม่มีเลยแต่อ่านอ่านแบบซาบซึง้งไม่ใช่ภาษาของตัวเองแล้วก็ลิ้นแข็งมากนลกับภาษาแบบอ่านอ่านคื อ, อถ้าถ้าแบบว่าถ้าแบบว่ากับคนที่แบบว่าอ่านเป็นนี่ยเนี่ใช้ไม่ได้เลยอะ่ะ ใช่ไม่ได้เลยแต่ความซาบซึ้งในตอนเขออาอ่านนั่นนะมาได้ไงอ่ะอิสลามนี่มาถึงกลุ่มชนเหล่านี้คุรานะที่ท่านนาบีได้สอนไว้เนี่ยมาถึง <c oughs> มาถึงจุดนี้ได้ไงมันผ่านมากี่ขั้นตอนนะ่ะโดยฉเฉพาะการเสียสละนบีที่รักอบูตอลิบลุงของท่านนี่มาก มากที่สุดเลยในบรรดาญาติพี่น้องเพราะว่าเขมีบุญคุณกับท่านนาบีรวมถึงลุงคนอื่นด้วยลุงคนอื่นที่ท่านนาบีรักและเขาก็เคยรักนบีนี่เองอบดุลลฮมอบดุลลฮัมนี่ตอนนบีเกิดนี่ดีใจมากเลยนะถึงขนาดที่ปล่อยทา่าพอได้ข่าวว่าท่านนาบีเกิดมานี่ปล่อยท่าเลยเป็นหลานโปรดของอบดุลลฮมเลย เล็รักนบีมากจนนบีประกาศบนภูเขาสฟาประกาศอิสลามแล้วอะนะแ่ะเครื่องเลยซึ่งตอนนั้นนบีก็ยังไม่อะไรกับบุลาบแต่เนื่องจากว่าอบุลาบและก็เมียเขาเนี่ยตั้งนบีเป็นปฏิปักษ์เลยต่อต้านตลอดต่อต้านเสมอถ้าท่านนาบีมัวแต่จะเสียใจกับลุงลง อ, อ, อ, อาญาติพี่น้องที่เขาปฏิเสธเนี่ยโอ้ก็ต้องโอ้ อกหักกับพวกนี้เนี่ยแต่บีก็ไม่ต้องทำงานศาสนาสินี่กาลังใจสําคัญสําหรับทุกคนที่ทํางานศาสนาไม่ได้ทำงานศาสนาระดับบรรดานับีและรอซูลเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหนี่เราจะทํางานศาสนาแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเนี่ยชวนน้องสาวคูวิยาชวนพี่ชายน้องชาให้ละมาดชวนคุณพ่อนี่ให้เลิกบุรีชวนชวนคุณแม่นี่ให้ เลิกมินทาชาวบ้านแล้วอะไรแอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาไม่ทำถ้าไม่ทำาดีก็พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนทำอย่างอื่นแล้วก็ค่อยกลับมาทีละนิดทีละหน่อยค่อยกลับมาแต่ไม่ใช่ลืมคนอื่นเลยเพราะมันมีบทเรียนสำหรับท่านนาบี m u มม m m a เองสำหรับคนตาบอดจาได้ไหม Abu Sawa Tawla An Jaahul Amma นบีโฟก โฟกัสภ า, าษาไทยไปว่าอะไรเจาะจงเอ๊ะคือท <c ười> <c ười> ่านนาบีเจาะจงไปที่คนรวยคนมีบา ร, รมีนบีคำนวณว่าถ้าหัวหน้าเผ่าคนหนึ่งรับอิสลามแล้วอะนะพอตอนก่อนนู้นะมันเป็นจารีแต่เงี้ยหัวหน้าเผ่าเอายังไงนี่นะลูกคาบนี่ ตายหมดจริงๆไม่ชิดตะกอนนู้นนะไม่ชิดตก่กอนยังคงมงีพอคนตาบอดอัมรุปนูมีมักตุม้มแล้วก็ดันเป็น <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีชื่อเสียงตระกูลอะไรที่ดังๆมากนะอันเจ้าฮุลอาหมา มานะคนตาบอดแน่นอนคนตาบอดนี่อาจจะมองไม่เห็นเนาะในมะีคุยกับใครปด็ความบริสุทธิ์นะนะว่ามานั่งในวงนั้นนะแล้วก็บอกว่านะบีครับสอนฉันหน่อยฉันอยากจะรู้เรื่องอิสลามนี่ยังไงอยากจะให้อิสลามนี่ขัดเกลวชีวิตของฉันนี่ให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์นบีก็เหมือนประเมินแล้วว่านะว่าคืออยากให้นี่ ไม่ทิ้งแน่นอนต้องต้องกลับมาหาแน่นอนนบีไม่เคยทิ้งหน้าที่แค่ลำดับอะเอาให้พวกนี้ก่อนนะพวกพวกนี้เนี่ยมันจะได้ปริมาณอาจจะเยอะกว่าแค่นี้เนาะคนเดียวอัลลอฮฺรู้ยังไง คนเนี้ยที่คนเป็นคนดาบอดเนี้ยที่เขาปาถนาดีอ่ะก็จะได้ประโยชน์มากกว่าไอ้พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ไม่เอาเลยก็ได้ท่านเปืองเวลาเสียเวลาเกินไปในในสุรนิสรตาบสานิบรรด า, ร า, า, ดามมฟัสรินทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ใช้โดยเด็ดขาดนะเขาไม่ใช่คําว่า เราตําหนิพราะในสุร้อนนี้ทั้งหมดนี่ไม่มีตําหนินี่ตําหนิมีแค่ถามท่านนะพี่แต่ท่านรู้ยังไงอ่าเราจะรู้ยังไงเราแต่ไม่เราไม่ไดตําหนิซึ่งการตําหนินี่มันมันเป็นมันมันเป็นการมันเป็นการมันเป็นการเหยียดหยามระดับหนึ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะไป ล่วงเกินพระประสงค์ของพระสุภานุวาจาลว่าอัลลอฮ์นี่ประสงค์ที่จะทำหนี้เอามาจากไหนเออพระงค์และยิ่งทหนี่ใครอะทำหนี้นบีนะถ้ามันเป็นเรื่องความเข้าใจที่มาจากเราอะอัลล์ทำหนีนบีแล้วอสู้อัลล์บ่าเปล่าไมทหนี้จริงกันนในกูรูไม่หนี้แสดงว่าเราเนี่เป็นคนที่าําหนนบีนะโอ้โตกเลยสิครับําหนีนบีนี่ตกศาสนาเลยนะสหายได้บทเรียน เรื่องนี้แม้กระทั่งในเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับท่านนบีแรงที่สุดเนี่ยท่านอัมอลอับเบลขต้อบในสงครามในสัญญาอัลฮูดัยเบียที่ท่านนบียอมในข้อตกลงที่มันไม่เป็นธรรมสาหรับมุสลิมอัลมอลขต้อบไม่พอใจอัลมอลมขต้อมไม่สามารถตำหนิบีทําไม่ได้ไงเพียงแต่ถานือ นบีครับเราเนี่ยอยู่บนฐานแห่งศัจธรรมและความจริงใช่ไหมใช่แล้วพวกมันเนี่ยมันอยู่บนฐานแห่งความเท็จและอุปโภคใช่ไหมใช่แล้วทําไมเราจะต้องต้องทำให้อิสลามต้องทําให้เราเนี่ยตกตะกั่ไมทําไมเราไม่ดีไม่ไ ด, ไมไดีต่อว่านบีไม่ดีตำหนินบีไม่ได้ ฉะนั้นในสุรานี้เนี่ยเราจะาจะบอกไงที่อัลลอฮ์พูดในสุรานี้เป็นการแถบแรงที่สุดเนี่ยเราใช้กัว่ติท่านน บ, บีหรือคอ r r e c t comment เห็นไหมเห็นไหมเห็นใจคนเดียวละแปลคุอณอ่านอะไแล้วควาเป็นภาษาอื่นเนี่ยต้องระวังมากเลยนะ แต่ามาถึงจุดนี้เนี่ยแค่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าท่านนาบีสุล ล, ล่านอะเลสเลมได้บทเรียนในการให้กำลังใจเพื่อให้ท่านนาบีได้ยืนหยัดต่อสู้ในการทำงานในการเดินหน้าตามบัญชาของเราสุภานาวดาและไม่ท้อแล้วไม่ให้คนที่ปฏิเสธเนี่ยเป็นเหตุผลในการบันทอนความครึงคัด การยืนหยัดในการทำงานศาสนาต่อไปไม่ได้และเรื่องราวของท่านนาบีนูห์ก็จะเป็นอุทาหรณ์สำคัญดูเหมือนว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมรู้เรื่องละท่านนาบีนูห์เพราะก็อานได้เล่าเรื่องของนบีนูห์นี่หลายสุรทีเดียวถึงขนาดอัลลอประทานเรื่องราวของท่านนาบี นูฮ์แต่ในสุราชบักเลยและ صحاب าหรือท่านนบีเป็นผู้ที่ตั้งชื่อสุรานิวาสุรัตนูฮ์เฉพาะเลยในบรรดานบีน่าจะมีสุรัตนู์และกสุรัมุฮัมมัดน่น้นมีอิบรฮม มาริยมแต่ไม่ใช่นบีมุซ่าไม่มีกุดมียูสุฟอะรๆไปเรืร่อย่ <laughs> آ, าซะดงง้อยังไม่หลักนียนบีนู๊กสุราักดิะเลนะ่นนะและแต่ละแต่ลท่านที่เล่าเรื่องราวของท่านนบีนู๊กเนี่ยเล่าเรื่องการทำงานของท่านนบีนู ความขมักขเม็นของท่านนาบีนูห์ในการแต้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ย น, นาาะอามะก็เลยเอามาให้ท่านนาบีมหฮัมมัดสุลลัลลอฮุลอะลัยฮิลมทบทวนแล้วก็เล่าอีกทีหนึง่งในอา ย, ายจะจัดสิบอ็ดนี่อัลลอฮฺสุบฮาในาอฺได้บอกไว้ตอนต้นเนี่ยวัดรอไลฮิมนาบะอนูหและเจ้าจงอ่านให้พวกเขาฟังถึงเรื่องราวของนบีนูห์ ح. เจ้าจงอ่านให้เขาฟังแสดงว่านบีต้องรู้แ่ะสนิษฐานถ้าหมายรวมว่าที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้เนี่ยจงไปอ่านให้เขาฟังก็แสดงว่าเรื่องนี้นับดียังไม่รู้แล้วเพิ่งจะรู้จากวะยูเจ้าลอให้มาตอนนี้นี่นะแล้วอัลลอ์สั่งว่านเนี่ยที่เจ้ารับมานี่นะจงไปอ่านให้เขาฟังหรือ เจ้ามีข้อมูลแล้วใช่ไหมเจ้าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปอ่านให้เาฟังเป็นไปได้กับเป็นไปได้เหมือนกันเพราะมีสุรร์อื่นๆหรือท่อนอื่นๆในสุรร์อื่นๆที่พูดถึงเรื่องในบีโนก่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันในทุกกรณียังมีคำถามที่ต้องได้คำตอบยังไม่ได้อ่านทั้งอายะเลยนะแต่คำแรกเนี่ยมันต้องมันต้องดึงความสนใจของพวกเรา วัหลุทําไมต้องไปอ่านขเขาแล้วในเมื่อในเมื่อเนื้อหาเนี่ยเพื่อให้กําลังใจกับท่านนาบีถ้าเป็นการให้กําลังใจเจ้ากระรู้นี่เจ้ากระรู้นี่ว่านาบีนู่นเจออะไรมาก็น่าจะเป็นกําลังใจให้เจ้าเจ้าจะได้ไม่ต้องท้อแต่นี่จะให้กําลังใจกับท่านนาบีและให้ท่านนาบีเนี่ยเอาไปอ่านเอาเรื่องของนบีนู่นเนี่ยไปอ่านไปเล่าให้เขาฟังนั่นแสดงว่า ล l l a h سبحانه และ تعالى อยากจะให้ท่านนบีได้ตระหนักกว่าการดาวานี้แหละคือกับร่างใจนี่คือสุดยอดของคําสั่งสอนที่เราจะพบในคุอาและบทเรียนที่สําคัญที่สุดเสียใจที่เขาปฏิเสธใช่ไหม ถ้ไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะทอแท้นี่ก็เจ้าไปดาว่าเขาต่อเจ้าเอาเรื่องของนบีนู่นเนี่ยไปอ่านให้เขาต่อแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าต้องทำอะไรต่อเคยบอกกับพี่น้องว่าบางทีเนี่ยเราเชิญชวนคนใกล้ตัวเนี่ยให้ทำอะไรดีๆและเขาไม่ทำ จนกระทั่งพูดแล้วพูดพูดอีกนะจนกระทั่งเราเราต้องเบื่อสิเฮ้ยนี่น้องชายตัวเองไม่ยอมละหมาดเลยเออขูก็บอกมันแล้วสอนมันแล้วสอนมันแล้วเนี่ยสามร้อยสามสิบสามครั้งอ่ะนี้แค่ตัวเลขทุกตา ถ้าเป็นคนจีนก็เท่าไหร่นะ999 99ครั้งแล้วสอนไว้แล้วเท่านู้นเท่านี้ผมเคยบอกว่า <st utter rain> การที่เรากำหนดตัวเลขนะตัวเลขจะเป็นตัวเลข ก, กลมๆหรือเป็นตัวเลขสมมติหรืออาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มี ต, ตัวเลขตายตัวก็ได้ ฉันบอกไแล้วไม่รู้กี่ครัง้งไม่รู้กี่ครัง้งจริงๆนะรู้ไม่รู้กี่ครัง้งแล้วจะเป็นไอ้พวกพวกกูวอโผมบอกไวแล้วมันสิบล้านครัง้ลงลเ <c oughs> ก่งกว่านา บ, บีนุ่ยส <c> บ <oughs> ลา้านครั้งเลยนะบอกไแล้วสอนไแล้วมันไม่เอากูเบื่อแล้วบว่าตัวเลขเนี่ยนะสมมตินะผมบอกไแล้ว สิบครั้งบอกแล้วถ้าเราถ้าเราสมมติฐานนะาานะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอฺดาละกำหนดในกฎสภาวะว่าพี่ชายมันเนี่ยต้องดาว่าน้องชายเนี่ยสิบเอ็ดครั้งแล้วอัลลอฮฺจะให้อีไดายะสมมติว่ามันเป็นเงื่องไขและเราเนี่ไปอยู่ที่สิบนะที่ตัวเลขสิบนะที่เราพูดมาเองอะนะหูดาว่ามันมาเล้วหนึ่งสิบครั้งเนี่ยมันไม่เอาโอ้ไม่เอาละเบื่อละ ถ้าเรารู้นะแสดงว่าเราเบื่อในจุดที่เหลือเพียงครั้งเดียวนะและจะประสบความสําเร็จแล้วไม่ทําถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วไม่ทำมา น, นะคนจะเรียก ว, าวา่าอะไรรู้สิรู้เขาบอกถ้าลูกถ้าลูกขอตังค์สักสามครั้งน่าเหนื่อยเลย ลูกไปขอป๋าขอตังค์หน่อยป๋าก็เฉยเลยพราป๋าปันทงแลนะ้วไงคือมีมีทงแล้วเชอะสามครั้งอยู่กูให้เนะี่ยให้เยอะด้วยป๋าขอตังค์หน่อยป๋าก็ไม่ว่าไปแล้วเบือแล้วป๋าไม่เอาแล้วไม่ขอแล้วอะไรอย่ยอีกครั้งอีกครั้าง การดาว่าของเรานี่นะและและตัวเลขนี่มันไม่ใช่อะไรไม่ใช่หมายถึงเอออีกครั้งหนึ่ง เ, เราไม่รู้ไงเราต้องทํายังไงก็ต้องทําต่อไม่สิ้นหวังต้องทําต่อและการทําต่อเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะกำหนดไว้แล้วว่ามันจะอาจจะเกี่ยวกับตัวเราสมมุตินะเจอคนหนึ่งรู้จักไม่สนิทมากแต่รู้จักเจอ ขี่รถไฟฟ้าก็ได้เฮ้ย เ, เป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเดี๋ยนี้อยู่ไหนเออเอ้แต่ก่อนนู้เราอยู่ชมรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้แต่งงานนียังเฮ้ยเป็นยังไงบ้างละหมาดปะยุ่งอะไรกับเขาแค่เจอรถไฟฟ้ายุ่งเรื่งละหมาดยุ่งส่อโทษจริง ๆ, ๆยุ่งทุกเรื่องอลยเรื่ละหมาดเราเนี่ยเข้าใจว่า มันไม่มีน้ำหนักจริงๆเพราะเราเจอครั้งนี้แล้วไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่าแต่ลองคิดดูสิเราเนี่ยเจอบนรถไฟฟ้าเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่สำคัญหรอกไม่สําคัญหรอกเรื่องละหมาดเนี่ยไม่สําคัญหรอกเฮ้ยอ่านไปเรื่องอังคานาเนี่เรื่องเนี่ยงแล้วเรื่ยๆเลยทุกเรื่องเลยนะละหมาดละหมาดมันมันมันคงไม่ไม่ละหมาดหรอกเราพูดครั้งเดียวมันจะละหมาดคงไม่ละหมาดหรอกพูดเรื่องรีบเปลี่ยดีกว่า ถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเขาลงจากรถรถไฟรถไฟฟ้านะไปเจอร้านกาแฟเป็นเพื่อนเหมือนกันน่ะนะและไอ้เพื่อนนี้ที่มันขายกาแฟเนี่ยมันก็ขี้เกียจทักเรื่องละหมาดเพราะมันซื้อกาแฟแล้วเนี่ยมันขึ้นรถสองแถวซึ่งคนขับนี่ก็เปนเพื่อนเหมือนกันนะ่ะแล้วมันก็ไม่คิดจะพูดเรื่องละหมาดพอลงไปแล้วนี่ปากซอยนี่แต่นั่งมอเตอร์ไซค์วินน่ะนะดันเป็นคนที่เคยรู้จักเหมือนกันนะและเป็นคนละหมาดด้วย บังละหมาดยังงั้นะไม่เอาเ้ยอันถามว่ากูแกเป็นเด็กวินจะไปอะไรถามอะไรกับเขาเขาพลาดเขาพลาดไปกี่คนแล้วล่ะแต่ลองคิดดูแท้ทุกคนนี่บอกว่าจะทักไปครั้งเดียวก็ตามถึงแม้ว่าเราเข้าใจว่าไม่มีประโยชน์ตอนละกําหนดไว้แล้ว ว, ล ว, วันนี้ถ้าเขาถูกทักละหมาดจะใครก็ได้เนี่ยสักห้าครั้งนะนะฮีดอายุเนี่ย จ, จะเกิดก็ได้ฉะนั้นเนี่พลาด แล้วถามว่าอาหรับนี่รู้เรื่องท่านนบีนวลก็รู้นบีรู้เรื่องท่านนบีนวลบ้างไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยนะรู้บ้างแต่เอาเมื่อให้ท่านนบีเนี่ยเอาเรื่องของนบีนวลเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังนี่นะเพราะมันมีอุทาหรณ์สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาว่านี่ปฏิเสธนบีนวลแลงไงเราก็เห็นกันเราก็ได้ยินกันมาแล้วนี่ว่าตายกันหมดน่ะไม่เหลือเลย มันก็เป็นอุทาหรณ์สําหรับคนที่ปฏิเสธนบีและรอซูลและเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลและซัลลัมวะคนที่ปฏิเสธนี่ไม่ต้องไปอะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการให้เจ้าไม่ต้องไปเราจัดการให้ดาว่านี่ยาเข้าใจว่าตัวเองนี่เป็นประธานคณะกรรมการกําหนดนโยบายดาว่าแห่งโลกจักรวาล เราจะเป็นคนประเมินเราจะเป็นคนกําหนดทิศ ท, ทางของดาวะในจักรวาล น, นี้เพราะฉะนั้นฉันจะพูดอะไรจะดาวะอะไรเนี่ยให้ฉันเป็นคนประเมินไม่ไม่เสมอไปครับเราเราถ้าถ้าเราเนี่ยกำ ม, มือฮิดายะอยู่ในมือนี่หมายถึงว่าเราดาวะแล้วแบเปี้ยงฮิดายะเปี้ยงฮิดาย ะ, ายะเออเ อ, อ <c oughs> <c oughs> เข้าท่า ทิห ل ายยุติรา عليهم ยทิหดาย ا ั ل ل ุติราวยวัดลูอั ك ัยห์มน م เบอโนชอิซ ر ي ب ฺฺฺฺ الله فعلى الله توكلت ف ฺ ج م ع و ا ฺ م ر ك م و ش ر ك ا ฺ ك م ثم لا يكن ฺ م ر ك م عليكم غ م ฺ ثم ق ฺ و ا ฺ ل ي ولا ت ن ฺ ر و ن قاموا ل ฺฺฺฺ ا ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ� ก็คือเนื้อหาที่อัลลอประทานลงมาในสุรานี้รืสุราก่อนนานนี้ก็ได้เช่นสุรานุ่หรือสุร่อื่นๆในท่อนที่อยู่ในสุร่ที่เกี่ยวกับนบีนูถึงเรื่องราวของนบีนูอิกกาลเมื่อเขาคือนบีนูเนี่ยกล่าวแก่ประชาชาติของเขา่าคือในในความหมายกุษานภาษาเทยโดยเฉพาสิบสิบ สิบยุทท่อนแรกเนี่ยเรื่องสภานี่ผมงให้พูดเรื่องนี้ก่อนในะเรื่องสภานี่ก็จะมีความไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลที่สามนี่บางทีก็เขาบางทีก็ท่านเขานี้ไม่เป็นไรหรอกท่านก็ไม่เป็นไรใช้ได้ทั้งสองในด้านมารยาทพูดถึงบุคคลที่สามจะเป็นคนสําคัญในภาษาอังกฤเนี่ยเขาไม่มี สักดีนาะไม่มีอ่เพราะฉะนั้นสภพนามบุคคลที่สามนี่เหมือนกันหมดเลยบุคคลที่สามเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นนบีเป็นะนะหัวเขาหัวตัวของเรานี่โอ้ถ้าถ้าเพื่อนกันนะนะถ้าเพื่อนกันนะนะมันใช่ไหม นี่แท่านแบบสนิทมากเลยนะแล้วก็แปลกนะสรรพนามที่มันแย่ที่สุดนี่เอาเอาใช้กับคนที่สนิทมากอะ่ะพูดพูดกับเขานี่ไม่ใช่บุคคลที่สามนะนี่พูดต่อหน้ากันนะ่ะนะเอาสรรพนามที่แย่ที่สุดเนี่ยมึงคือต้องเข้าใจนะมึงเนี่ยในภาษาาหรับเนี่ยอถ้าในพู้เชีาญกลุ่มเขาขเขาจะถามว่าต่ำหมายถึงมันเป็นคำสับ ที่ไม่ใช่ทั่วไปใช้เฉพาะคําที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สุภาพแต่ภาษามาลายูไม่ใช่ใช่ไหมภาษามาลายูนี่เมืงเลยใช่ไหมใช่ปะ ม, มืงไม่หมายถึงว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าไม่สุภาพสูทธ้องมไหอหมายถึงว่าถ้าพูดกับเพื่อนตอบหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมืองอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเสียมารายา อ่าฉะนันนี่ว่าทนธรรมมันนะแต่ถ้าภาษาไทยล่ะพูดพูดมึงองเงี้ยวเรื่องเลยนะนี่แสดงว่าแม้กระทั่งในภาษาเพื่อนบ้านนะมลายูกับไทยนี่นะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะมลายูกับไทยเนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะลูกพี่ลูกน้องทุกด้านเลยด้านภาษาด้านเชื้อชาติก็ลูกพี่ลูกน้องกันทั้งนั้นนะ มันยังมีข้อแตกต่งางอกันภาษาับนี่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยในภาษาไทยถ้าเพื่อนสนิทนี่มันถ้ า, ถ, าถ้าไม่สนิทมากนี่เขาถ้าให้เกียรติหน่อยเนี่ยท่านถ้าเป็นพระองค์พระองค์ท่านนี่ถ้าถ้ามาถ้าเพื่อนนี่ไปใช้พระองค์กับเขาอันนั้นนีก็นนนกันแหนนะ ใช่มถ้ากลับเป็นกลารเป็นคนละเรื่องเลยเออไนี่ดูนีอิดกลาลีก้าวมิี ال ال เมื่อเขาคือน บ, บีนูหนะกล่าวแก่ประชาชาติของเขาว่าโอ้หมู่ชนของฉันอย่าเข้ามีหมู่ชนของฉันอย่าเข้ามี ของฉันก็มีพวกฉันและก็มีก็จะจะใช้หมู่ชมนเนี่ยใช้คนที่มีความเป็นเครือญาติสักกระดักหนึ่งถ้าไม่มีความเป็นเครือญาตินี่ก็ไม่ใช้เข า, ามีก็ต้องเป็นเป็นพี่น้องกันนะเพราะฉะนั้นในหลายอ า, า, ายะอื่นเช่นอิสูร์ดูดวะซ์รุรอัชฮาดิน แต่ บ, บีฮูดนะนะอาคาฮาดินฮูเนี่ยเป็นพี่น้องของพวกอาชพี่นออ้องเขาอาปาฮาดินแต่เน่ยเป็นพี่น้องกันนะความเป็นพี่น้องกันนะ่ะความเป็นเผ่าเดียวกันความเป็นเชื้อชาติเดียวกันเนี่ยเวลาจะใช้่นะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธานนะไม่มันเกี่ยวกับเรื่องฟ e e l i n g เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการพูดคุยกับบุคคลอื่นเวลาพูดกับเขาฉะนั้นเราจะพูดกับพี่น้องชาวพุทธ พูดกับพี่น้องชาวฮินดูร่วมชาติหรือร่วมกิจกรรมเออพี่น้องพี่น้องชาวฮินดูมาตรงนี้หน่อยพี่น้องชาวพุทธนี่มาตรงนี้หน่อยได้ไหมได้ได้และไม่มีขอ้อห้ามอะไรเลยไม่มีขอ้อห้ามคนที่ไปเข้าใจว่าออม คนเนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องทางศรัทธานี่ยไปเรียกเขาไปเรียกเขาพี่น้องไม่ได้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นการที่ความเป็นการวินิจฉั ย, ไ ม, ยมไม่มีตัวบทไม่มีตัวบทบอกว่าคนต่างศาสนกเนี่ยห้ามไม่เรียกเขาพี่น้องถ้าเจตนาของเรานี่พี่น้องพี่น้องรวมชาพี่น้องร่วมกิจกรรมสมมติว่า น, นักศึกษาในชมรมอย่างเงี้ยมีหมดเลย มีทุกประเภทเลยมีคริสตมีซิกมีใช่ไหมบางทีเนี่ยมีหมดเลยแล้วมาร่วมทํากิจกรรมกันในในมหมาอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งเอาพี่น้องมาตรงนี้มีพี่น้องหมดเลยนะพี่น้องคริสพี่น้องพี่นมาตรงนี้ได้หมาพี่น้องร่วมกิจกรรมทําง่าพู้ชายที่มัหนหา เพานี่ขนาดนบีกับกลุ่มชนของเขาซึ่งเป็นพี่น้องกันแท้นะอัลลอฮ์ก็ยังเรียกเขาเป็นพี่นะไม่ใช่น บ, บีที่เรียกนะอัลลอฮ์เรียกวะกุรอาหอาดินอาดินะกลุ่มชนอาดเนี่ยพี่น้องของเขาเนี่คือฮูดจงรำลึกถึงอาที่มีพี่น้องของเขาเนี่ยคือฮูดอัลลอฮ์บอกว่าเขาเป็นพี่น้องและแ้ะจะฮูดนี่มาบอกกับกลุ่มชนอาของเขาเนี่ย อ้พี่น้องของฉันซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นประเพณีตอนนั้นน่ะแต่เขาเรียกเข้ามียเข้ามีนาบีนู้เเนี่ยไปบอกกับพี่น้องญาติพี่น้องเขานี่ยบอกว่าอยากเข้ามีเข้ามีนี่ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านน่ะนะพี่น้องของผมญาติพี่น้องของผมมีความเป็นเชื้อความเป็นญาติไม่ต้องขนาดต้องเป็นญาติเป็นสายเลือดไม่ต้องก็ได้ มีอะไรที่เป็นเหตุผลที่จะเรียกเขาพี่น้องแต่คงไม่ใช่นะถ้าพี่น้องฮามาสเนี่ยจับเฉเลยอยู่สักสองสามตัวนี่เอกว่พี่น้องมางยืนตรงนี้พี่น้องเขาคงไม่ใช่หรอกเคงเขาคงไม่กรุณาให้หรอกมันไม่มีเลยมันไม่มีเหตุผลที่จะได้กันพี่น้องเลย อ, อันนั้นใช่อ น, นี่พูดได้ แต่ทางาสนกที่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราที่เขาไม่ได้เป็นปฏิปกักษ์เขาไม่ได้มาสู้รบอะไรกับเราก็าไม่ได้ขับไล่เราก็าไม่ได้มหาอะไรกับเรามีเหตุผลที่เรียกเขาพี่น้องว่ามีเหตุมีเหตุผลไอ้คนที่ออกพระตัวเนี่ยพวกพวกพวกสุดโตงเนี่ยสารับสุดโตงเนี่ยผมว่าพวกนี้เนี่ยจะทำเป็นพิธีกรทีวีไม่ได้ พี่น้องผู้ฟังพี่น้องผู้ชมนี่พูดไม่ได้เลยเพราทั้งประเทศเนี่ย <laughs> ทั้งประเทศในส่วนมากเนี่ยมันจะมุสลิมอ้าวเราจะไปเรียกพี่น้องได้เหรอพี่น้องผู้ชมอย่างเงี้ยแล้วคนที่ชมนี่มีมีคนนี่ไม่ไม่ใชมุสลิมอ้าเรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เสียวะละและบาระเสียกี่บ้างขนาดนั้นนะ่ะ ความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มาจากเข้าวินิจฉัยผมไม่ปฏิเสธเนอว่าเป็นว่าเป็นเป็นพระตัวของของอุลมามะเฉพาะเฉพาะประเทศในอย่างประเทศซาอุดีอย่างเดียวที่เขามีทัศนะแบบเนี้ในยุคหนึ่ง่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดนนี้เขาถูกฆ่าหมดแล้วนะที่พูดอะไรแบบเนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้ถืออุลมามะทั่วโลกนี่เขามีด้วยกับเรื่องแบบนี้อุลามะทั่วโลกนี่เขามีกุณอ่านคนละเรื่มกับเราปะ แล้วเวลาอ่านสุราต่างๆอ่านฮะดีสต่างๆนี่เขาไม่เคยผ่านเรื่องนี้แล้วก็จะไม่เตือนแต่บางคนไปรเรียกคนต่างๆซึ่นี่เปนพี่น้องเดียงไงที่จะบอกจะบอกพวกเราว่าอิสลามเนี่ยตอนไปพิชิตเมืองต่างๆนะนะสหบ้านโดยเฉพาะสหบ้านนี่ไปอยู่ในเมืองต่างๆนี่ส่วนมากของชาวเมืองนั้นนันไม่ใช่มุสลิมแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะแต่หากว่าแค่สัพนามอะไรเงี้ยแค่สัพนามแค่คํา พูดกิริยามารยาทบางอย่างเนี่ยจะมีข้อยกเว้นแบบเนี้ยที่มันค่อนข้างไม่มีเหตุผลทั้งนั้นนี่พฤติกรรมที่เราดูในมารยาทนเบียร์รั้วนกุรานี่มันก็คนละทางกันอย่าเข้ามีมารยาทเวลาไปด่าว่าใครนี่นะให้เขารู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกัน เขากับเราเนี่ยมีข้อผูกพันกันอิสกาลและ ล, ะละะีเขามีฮียเขามีกลุ่มชนของฉันของฉันเองไม่ใช่ของคนอื่นผมกําลังพูดกับพี่น้องของผมแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่จะให้คําพูดเนี่ยมันทะลุทะลุหูเนี่ยเข้าไปในหัวใจไอ้ไอ้หมอนี่มันรักเราในะเขาไม่ด้เขาไม่มีอะไรอาคาติอะไรกับเราเนะี่ย เขามีเกียดเราแน่นนี้เขาเขาบอกเขาบอกว่าอย่าเข้ามีพี่น้องของฉันคุณได้ไหมนะเบนูฮ์อินคานักบุรุษอ้ายคุมมา قام ีว่าท ذكر ีบอัยยัติละหากว่าการพักอยู่ของฉันหมายถึงว่ากันที่ฉันอยู่ร่วมกับพวกขั้นในเมืองเดียวกันใช้ชีวิตกับพวกขันในเมืองเดียวกันเนี่ยที่เดียวกันเนี่ย และการตักเตือนของฉันด้วยองค์การตักเตือน้วยอียาติเล่ยตักเตือนด้ว ย, อ, า ย, า ย, อ, วยองค์การหออัวเน่าด้วยด้วยพระธรรมของอเล่เนี่ยทั้งหลายของอเล่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่กระบุรระเป็นเรื่องใหญ่นี่หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับพวกท่านที่ฉันจะต้องอาศัยอยู่ใช้ชีวิตกับพวกท่านและก็ทุกวันเนี่ยตรงเจอ ฉันเตือนพวกเจ้าเห็นหน้าฉันนี่ก็รู้ละนบีนูจะพูดเรื่องอะไรสะแสดงความรังเกียจต่อท่านนาบีนูเนี่ถึงขนาดที่ท่านนาบีนูต้องเอ่ยมานะถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยสำหรับพวกท่านที่ทนไม่ได้เลยเนะี่ยที่จะอยู่อยู่กับพวกท่านแล้วก็เตือนพวกท่านตลอดตลอดตลอดเลยตลอด ตลอดกี่วันนะกี่เดือนนะกี่ปีลนะ่ะกี่ทศวรรษกี่ศตวรรษโอ้โหพังดงวาวนีออกดวาวนีมากที่สุดกี่เดือนต่อชีวิตเนี่ยเท่าไหร่สีเดือน สี่เดือนต่อชีวิตเนี่ยก็เท่ากับทําร์ดแล้วไงจบละชีวิตใช่ปะ่ะชีวิตนี่ต้องสี่เดือนปีหนึ่งต้องสี่สิบวันผมพูดถึว่าอย่างน้อยไม่แต่หมายถึงว่าถ้าทําแล้วนี่ก็โอเคแต่ถ้าไม่ทําเลยอนะหอานถึงว่าทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้ออกดาวว่า ส, สี่สิบวันสสี่เดือนนะ่ะนะก็ บาปมะไม่บาปแต่ถ้ากันขนาดไหนก็ตามขอให้ดาวะทุกวันมีอายุเจ็สิบปีดาวะตั้งแต่ตั้งแต่แบเบาะนะตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดนี่ดาวะเนี่ยจนตายนะเจ็ดสิบปีนะก็ไม่เท่ากับนบีนูอีเล่าหนิดาวะบางทีเนี่ยไปดาวะหมูเก็มหนึ่งชุมชนหนึ่งแล้วก็เจอวีรกรรมมาอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะ ไที่น่น่ะก็โดนกระทืบบ้างโดนด่าบ้างไอคนที่ด่าว่าบ่อยนี่นะแมเอาละชุมชนอยาให้ผมไปไปที่อื่นก็ได้บิลาดุลอฮิวาสีอ่ะแผนดินของลอฮนี่กว้างขวา ง, วางผมไปที่ตรงนี้อย่าไป <laughs> นบีนู่นนี่นะดาว่าแค่ดาว่ า, วานเก้าร้อยห้าสิบปีเนี่ยเขาบอกว่าปู่นี่มีลูกมีหลานแล้วนะหลานนี่ หลานนี่หลานนี่ยังไม่โตนะแต่ลูกนี่โตละแล้วก็ปู่นี่ใกล้จะตายแล้วนะปู่นี่จะจับลุจับมือลูกหลานเนี่ยมาหานี่นะนู้นนี่นะอย่างงนอย่างนี้นะ่ะอย่าไปฟังมันอย่าไปเชื่ออย่าไปศรัทธาอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกันนู้นแลน้วนบีนู้นเห็นนะ่ะรุ่นต่อรุ่นนะ่ะไม่อยู่ทุกคนในที่เขามีชีวิตยาวนานเหมือนนะบีนูนะ้นน่ะไม่ใช่นี่อัลลอฮ์ให้นะบีนู้นเป็นพิเศษเนะี่ยมีอายุยืนนานแบบเนี้ย อย่าว่าเป็นรุ่นรุ่นนะเป็นสิบรุ่นนะลองลองนึกภาพดิปูลูกหลานเหลินหลอนนี่เนามาเตือนนะพี่ในกรรมเลยนะวะาเสียด้วยเลยนีนย่นี่พยุงนะ และนบีโน้ตทำยังไงกล่าวรับบีอินนีด่าวตุควมีเลย์เลวะน่าราขบเจ้าไปด่าวเขาเลย์ล่กันคืนน่ารอแต่ละมีซิดหุมด้วาอีอิลลฟิราราการด่าวของฉันนี่ก็ไม่ทําอะไรนอกจากว่าทําให้เขาเนี่ยยิ่งหนีไปว่าอินนีคุณละมาด่าวตุหุมลิตัฟฟิราละหุมทุกครั้งที่ด่าวเขานี่จะได้ให้เขารู้ว่าอ Allah จะให้อภัยโทษแก่พวกท่านนะนะ เขาเนี่เบื่อถึงขนาดที่จะเอาลูกอัศวินของมีอธิษฐานเอานิ้วนี่มาอุดหูนิ้วนี่หมหูนี่คือให้น บ, บีโนนี่เห็นเนลยว่าไม่อยากฟังเพราะที่จริงเนี่ยถ้าเขามีมารยาทหน่อยนะก้าสสำรีเอาผ้านี่มาอดก็ได้ผลเหมือนกันนะนะไม่อยากให้น บ, บีโนนี่เห็นนะว่าไม่ฟังท่านนี่เราไม่ฟัง อาอดหูแต่ยังเห็นนะนเนบีโนนี่ก็ยังเงียนพูดอ่ะยังเห็นนะบีโนก็ลังตักเตือนแต่ไม่เลิอกอ่ะทํำยังไงอ่ะเอาผ้านี่มาคุมมาคุมหน้านี่แต่ได้ไม่เห็นหน้า น, ะนาบีโน้นอู้คือลองนึกในความกระด้างของกลุ่มชนนบีโน่ในขนาดไหนอ่ะและจะเป็นกําลังใจให้ท่านนาบีมุฮัมมัดไม่เป็นดิเพราะนาบีมุฮัมมัดนี่ก็ไม่ไม่ได้ทําเหมือนท่านนาบีโน้นี่ยไม่ขนาดนาบีโน แล้วเมื่อที่เจาทกข์นบีนองะว่าะชูที่อาบุ ي ์มืออัสร و ว่าตักบา و ن ن ا ตักบาระทั้งไม่หนีด่าวตุหุมิหปฏิบายนิคดาวะดูเขาจะไปบอกนบีนองะบอกว่านบีนองะมี حكمة ปฏิบายนิคด่าวะว่ علن ตุลหุมว่าสรรตุลหุมอิสรารันบนี่ก็ทามาแล้วทาทุกรูปแบบ ทุกเวลาทุกนิติท่านนาบีนุ ح, ่ห์ทำไว้แล้วสุดท้ายนี่นบีนุห์บอกว่าถ้าการที่ฉันดาว่ากับพวกท่านในแบบนี้จนกระทั่งอยู่กับพวกท่านแบบนี้เนี่ยดาวา่าตักเตือนพวกท่านแบบนี้เนี่ยพวกท่านนี่ทนไม่ได้แล้วฟาอัลลอฮิตะเวกลตุดังนั้นฉันมอบหมายแด่อัลลอฮ์เท่านั้น ฟะอัจม์กูอัาร์กุมวชุรักอะคุมทั้งมาแล้วยกูอัาร์กุมอัลเลยกุมหุ่มตันทั้งมัคดูอิลีวลาตุนวิรพวกท่านจงร่วมกันวางแผนของพวกท่านในการลงโทษนบีหนูในการที่จะขจัดเสียงของท่านนบีนูวางแผนไว้แล้วจะทำอะไรก็ทำเ้ามาจงมอบหมายแล้ว้าการ ทำหน้าที่ของฉันต่อพวกท่านเนี่ยที่อยากจะให้พวกท่านเนีพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าพ้นจากการการลงนรกพวกท่านเนี่ยรวมตัวกันอัมรักุลวางแผนของพวกท่านว่าชูรกาอากุมพร้อมกับบรรดาภาคีพากีเนี่อจจะชูรกาอากุมหมายถึงว่าจ้เวทที่พวกท่านเคารพสักการะอยู่เนี่ยไปถึงมาไปวิงวอนวัน ให้มันจัดการให้ฉันพินาศหรือให้ฉันดับเสียงไปรัศมีของของพระดารัตของพระเจ้าของฉันเนี่ยดับไปพวกท่านนี่ก็ลงมือเลยพวาชุรกากุมบรรดาภากีของพวกท่านเถิดทุ่มาามาลายกุลอมุรุกุมารเลยกลุ่มหุมมาทนแล้วอย่างให้แผนของพวกท่านเนี่ยที่ผมตอนแรกนี่บอกว่า คือนบีนูอเองนะอิสฺแควลีกอุมีฮีกากแก่ประชาชาติของเขาแต่วันนีพ้พอพูดถึงกลุ่มชนมของพวกท่านทำไมอะแล้วอย่าให้แผนของพวกท่านเนี่ยแผนของพวกท่านนี่คือกลุ่มชนนบีนูอนะเป็นที่ปิดบังหมายถึงว่าไม่ต้องไปซุบซิบกัน ว่จะวางแผนอะไรยังไงพูดมาเลยพ ว, พวกท่านนี่ทั้งหลายนี่ปฏิเสธอยู่แล้วไงไม่ต้องไปซุบซิบไม่ต้องไปปิดบังหรืออย่าอย่าให้ปราถนาของพวกท่านนี่คุมเครือไม่ชัดเจนโอ้เราต้องจัดการเราต้องจัดการยังไงอะบอกมาเลยซุบมาเลยกนเอามือกุมอะไรกุมหุ้มไม่ชัดเจนเอาให้ชัดเลยจะฆ่าฉันใช่ไหมะจะสังหารฉันใช่ไหมะจะดับฉันใช่ไหม สมมติก็ดูอะไรอ่ะนี่สมมดูอแ ล, ละจงดำเนินการอันนี้ก็แปลตามความหมายของคําว่าก็ดอกดบกิริยากดบอนี่ตัวไปก็หมายาาก็ดบก็หมายถึงว่าดำเนินการในนิพิษศาสตร์อิสลามใช้คําว่ากดบกดบเนี่ยเฉพาะเรื่องเรื่องที่ ทำผิดปกติเช่นละมาดนอกเวลานี่มันผิดปกติแต่ใช้คําว่ากบาอกบอกบอซ้อหลายตทวาไมเนี่ยเพราะถะมาดในเวลาเนี่ยก็ใช้คํออาว่าอดะหรืออเดาทําไปอเดานี่ในภาษาอ раб เนี่ยมันมีความรับ ร, รื่นมีความปกติ แต่ถ้านอกเวลาเนี่ยกระบอมีความไม่ปกติเรืงคนที่ละหมาดนอกเวลาเนี่ยมันจะเป็นกระอกเขาก็เลยตั้งชื่อเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คุร์านอะดีสนะอันนี้เป็นภาษาด้านนิติศาสตร์เอามาใช้กักระอแต่ในประธานุกรมหรือในผู้ชนานุกรมภาษารับเนี่ยกระบอ มีความหมายว่าพิพากษาและในกรณีที่คับขันแล้วก็มีการพิพาทเนี่ยส่วนมากนี่คําว่าการพิพากษานีหมายถึงว่าตัดสินให้ตายหรือตัดสินในแง่ที่สุดๆแล้วที่แย่ที่สุดเลยเหมือนนักนักเสศาสตร์ของฟิราห์พอเขา สแสดงอิทิฤความสามารถของเขาต่อนบีมูซานาบีอุนุซากยอนไม่เทา่ากลายเป็นงูตัวใหญ่แล้วก็ไปกินไอ้งูตัวปลอมของเขาทั้งหมดนี่นะนักเสศศาสตร์รของพวกเราเนี่ก็ศรัทธาพอศรัทธาแล้วเนี่ยพวกเรานี่ตกอกตกใจเลยมันก็ไอจะทำยังไงพวกเจ้านี่เป็นทาสเป็ น, เ ป, นเป็นขี้ข้าของข้าเนี่ยไปทําอย่างงี้ได้ยงไงนักเสศาสตร์รบอกว่ามันไม่สนใจ ยึกบีมาอันตะกอดินท่านจะตัดสินจะพิบากษาอ ย, ย่างไรนี่เชิญก็หมายถึงวันเอาที่สุดเลยจะฆ่าเราก็เชิญเราศรัทธาแล้วเราไม่ถอย น, นะนี่จะเหมือนกันฟักดูอิเลียตัดสินเลยจะอะไรนี่จะฆ่าฉันจะ่ไมจะขจัดฉันใช่ไมบอกมาเลยต้องการอะไรบอกมาเลยแล้วก็ไปขออุทากับบรรดาจเจวิตบรรดาจเจวิตที่เขาเขาอ้างว่าเป็น เป็นผู้มีอิทธิพลและความสามารถพิเศษพอเดิมเ น, นี่ยเจว็ตของเขาเนี่ยก็คือคนซอนแรกคนดีไงเสียชีวิตแล้วอันนี้เรื่องนี้ท่านนบีท่นบบานอับดุลลอฮ์เนี่ยเบสเป็นเป็นผู้ราย ง, งานที่ว่าเจวิตวัดดันสว่านวยกุสวรรณวยากุ ว, ว, วรรณศรี่ดังดังเนี่ยห้าคนเนี่ยเป็นคนซ้อนแรกคนดี พอตายแล้วเนี่ยเชตตอนบอกว่าโอ้ตายแล้วแล้วทำอะไรอ่ะก็ละหาดจันทร ก, ก็จ บ, นะ บ, บ, บ, บ, บ, บ, บเลยเงียบๆแี้ยตายเงียๆแเงี้ยแล้วก็ไม่มีรำลึกไม่มีอะไรไม่มีทำบุญไม่มีทำบุญรอบรอบปีทาบุญสี่สิบวันแต่เท่าไหร่ ไอ้สามวันเนี่ยอันนี้อันนี้พื้นฐานอันนี้เซมๆเลยไปวัดไปสู้เดานี่เหมือนกันหมดเลยแต่ก่อนนุบ้านผมอยู่ใกล้วัดนี่เห็นเขาเลี้ยงเอ้ยวันหนึ่งก็เลี้ยงเขาเลี้ยงอะไรวันที่สองเขาเลี้ยงวันที่สามนี่ผมชักจะสงสัยละว่าคนฝั่งสู้เดาเขาว่าทําบุญอะไรบ้างอ๋อไม่เป็นของเขาอะ่ะเขาก็เลี้ยงสามวันไอ้ของเราก็เลี้ยงสามวันนี่ตกลงใครเอาจากใครอะ่ะ ใครยืมใครมาอันนี้พื้นฐานนะสาวันพื้นฐานแต่สี่สิวันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งครบรอบปีเนี่ยอีกรอบหนึ่งไม่ของกลุ่มชนนบีนูนี่เขาไปไกลเซ <c oughs> ตอนเนี่ยเขาเขาปิดจบับ <c oughs> ปิดจอบใหญ่เลยบอกว่านี่จะเฉยเฉยได้ไงอ่ะเขาเป็นคนดีสั่งสอนอะไรดีๆมาเนี่ยเราต้องน้ำลึกถึงเขาตลอดไปสร้างรูปปั้นให้เขาดี พอเรานึกถึงคนดีนี่นะ่าเราก็จะทําความดีใช่ไหมนึกถึงคนดีทําความดีนึกถึงคนดีทําความดี ก, ดมดก็คงรุ่นแรกรุ่นรุ่นแรกนี่ก็เขาเขาคงใจดีแหละเข้าใจเหตุผลแบบดีแล้วก็เขาไม่นึกว่าลูกหลานเขาจะซนไงเขาก็ทํารูปปั้นไปพอผ่านไปแล้วในรุ่นแรกรุ่นที่สองนี่ก็ชักจะสงสยัยละเฮ้ยปู่ย่าตายายเนี่ยเขาทำไมเขาสร้างแสดงว่า ปู่ย่ตายายเนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรมั่วๆนะเขาเขาเป็นคนรอบครอบผู้ใหญ่เขารอบครอบต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีอะไรอะ่ะโอ้โกเต้องมีอะไรสักอย่างกต่แ ต, แตดูเหมือนรูปปั้นเนี่ยเขามันเฉยมากแต่แค่รูปปั้นอย่างเงี้ยมันเฉอยอะ่ะเอามีผ้าสีสันมานี่ผ้าสีเหลืองสีขาวสีแดงเสียมันมีนะที่ไปที่มานี่มีไหนแต่ไหนแล้วต้องมีประดับประดาก่อนใช หน่อยหนึ่งก็ดอกไม้อีกหน่อยหนึ่งก็ทูปอีกหน่อยหนึ่ง ก, ก็สุดท้ายนี่นะกลายเป็นภาคีแล้วมันอา จ, จะมีเรื่องบังเอิญด้วยเรื่องบังเอิญบังเอิญที่ทำให้เขายิ่งสงสัยใช่ไหมบนบานแล้วกันไม่เคยมีลูกเรไปบนบานไปบนบานกับปุยยาตายหญคนเนี้ยพราะปุยยะตัวคนที่เนี้ยเขามีลูกเยอะ พอบนแล้วนี่บังเอิญบังเอิญเนี่ยมียตั้งครันนานกว่าแล้วว่าแล้วต้องมีต้องมีความสามาําคัญไปเชิญมาเลยบรรดาจเจวิตที่พวกท่านเนี่เห็นว่ามีอิทธิฤทธิธ์มีความสามารถพิเศษนี่นาะยไปเชิญมาเลยมาจัด ก, การชั้นฉันมีมอบหมายต่อหนอล้วันละตุ้งซีรุน่นและได้ลังเลเลย ตะวันไุมฟ้ามาสั่งทุกคนมินอัจรินอัจฉริยะอิลลาลลอฮฺกรวิดวันักหนานาหนหนาหนหนาหนาหนาหนาหนาหนาหนาหน่าหนาหนาหนาหนหนาหนาหวาหนาหนาหนาหนาหนาหนาหนาหนาหนานาหนาหนาหนาหนาาหนานานาหนาหานาหนาหนานานาหนาหนานาาหนาานาหนาหาหนาหนนานนาหาหนานาาานน ก็เป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะไม่กล้าก็ได้เพราะนาบีนูนี่มีอายุมากกว่าเก้าร้อยห้าสิบปีน่ะ น, นะหมายถึงว่าอายุของท่านนาบีนูนนี่ก็อาจจะเกา่าเก่าแก่กว่าบรรดาจเจวิตของเขาว่ะปุาาย่าใจของเขาด้วยซ้ําไปแล้วก็โดยความสํานึกของคนทั่วไปเนี่ยของเก่านี่คนไม่ ไม่กล้าทำลายจริงไหมทำไมบ้านเราของเก่าถึมีเยอะมากทิ้งไปเนาะเสียดายแล้วถ้ามันเก่าเกินไปนะเก่าเกินไปอะ่ะให้วางบุนี่บกป่นหิ่งบถ้าเก่ามากเลยอะ่ะไปเจอรูปของคุณทวดปู่ทวดอะไรเงี้ยเออใบใส่อบใอ บ, ใบไปวางในชักไม่ได้ ต้องใส่ขอบครูบาอาจารย์ที่หารูปยากอ่ะคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยากแล้วแต่นี้เกินเลยนะแต่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนี่หารูปยากมากเลยอนะ่ะพอเจอรูคปครูบาอาจารย์สักคนหนึ่งก็รู้สึใส่ขบใส่ขอบแล้วก็ขอ บ, ขอ บ, ขอบต้องต้องอย่างดีนะยิ่งถ้าเป็นสายสูฟีตอริกัสนี่นะโอ้โ oh หตื่นเช้ามาเนี่ย سلام าเลกุลขับทัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมพูดจริงนะมไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่คิดว่ด ไอ้เร allora. so, ่องที่ผมพูดพูดอะไรดูดูเหมือนว่าเออจะไม่ใช่นะที่ผมพูดต้องไม่มีมีโกหกนะมีนะสูฟีนะซลามอลิไม่ไดไม่แตกอย่าว่าเป็นโตครูนะบางทีเนี่ยรูปพ่อรูปแม่เนี่ยไปตั้งแล้วเนี่ยแล้วก็ลูกเจอวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งมองรูปพ่อพ่จ๋าแม่จ๋าดูดิฉันแย่ขนาดไหนเยอะๆเอาเอาเอามากกว่านี้ไหม เราเนี่ยเวลาตกอกตกใจมีอะไรหล่นนี่บอกว่าอ๋อเหรอันนี้มีพอมีเหตุผลทําไมอ่ะพราะเราเห็นเขาเนี่ยเวลามีอะไรตกหล่นนี่นะอุ้ยอุ้ ย, อ, ยอุ้ยอะไรนะอ่ะเขาก็เมียกของเขาเไยเราเรียกไม่ได้ไงแต่เราไม่แพ้งไงขเขาเขามีของเข้าเราก็มีของเราอุ้ยอ๋ลเหรอบางทีก็เสริมไปนะนเนียนะอ๋อเหรตกเคยเคยพูดกันนะ อันนี้พอมีเหตุผลนะอัลลอฮ์นี่พ่อมีเหตุผ ล, อ, ล, ล, อ, ผลอุยปะอะไรอ่ะปะปะตายไปแล้วอ่ะอุ้ยแม่ไปเล่นมแม่ตายไปแล้วอ่ะทำไมเรียกแม่นี่นีเคยถามตัวเองมทำไมเาเรียกแม่เรียกพ่อเรียก มันเป็นมันเป็นเรื่องความรูส้สึกที่ซึมซับมาจากความเชื่อแบบเนี้ยอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เก่าแก่อะไรที่ขังขังอะไรเนี่ยนหะเรียกเหอะมันจะช่วยมันจะช่วยแฉันพูดได้ไหมไม่ได้เขาบอกว่าวถึงจะมีชีวิตนะบุคคลที่สามที่มาอยู่เนี่ยที่เป็นมลูกนี่นะเรียกเขาเนี่ยเรียกเขาเนี่ยไม่ได้ เป็นอาจารย์จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเป็นบุคคลสําคัญเนี่ยเรียกเขาเนี่บุคคลที่สามไม่อยู่กับเราเนี่ยไปเรียกเขาเรียกเขาทำไมเขาได้ยินนอะถ้าเราเชื่อว่าเขาได้ยินน ะ, นนะะแสดงว่าเราเชื่อว่ามลูคเนี่ยสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยมีความสามารถพิเศษถึงขัน้นอะไรได้ยินเราเนี่ยนี่เนี่ยคือประตูแห่งการตั้งภากีกับเราสมัยนั้นแต่ถ้าพวกเจ้านี่ อันนี้เป็นการท้าทายของท่านนาบีน่เนี่ยเอาพวกเจ้านี่ถ้าสามารถจริงกันไปขอกันนีช่วยอะไรได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้ล่ะแต่อินเตอร์วิ ล, ลตุมแล้วพวกเจ้านี่สิ้นหวังแล้วนะทําอะไรฉันไม่ได้แล้วเพราะสุดท้ายนี่กลุ่มชนนบีน่เนี่ยเขาถึงขั้นดี่ ลอเลียน ย, ะยอะเย้ยท่านน บ, บีนุ่ห์ละเพราน บ, บีนุ่ห์เนี่ยพอสิ้นหวังแล้วนะอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าทำหน้าที่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะนะในการดาว่านะเจ้าสร้างเรือน บ, บีนุ่ห์นี่ททำตามบัญชาตามคำสั่งอย่างเดียวจบแล้วนะนะดาว่านีมีเพื่พอนะสร้างเรืออัลกุลละมามราะ ع ل ي ه م ل أ ؤ م ن ا ل ق و م ิ خ ุ م ن ه و พ่อมีกลุ่มชนหนูเขากลุ่มหนึน่งผ่านเห็นนบีโน่เนี่ยสร้างเรือเ ป, เป็นไปได้ไงอะ่ะเพราะพื้นที่ที่นบีโน่เนี่ยอาศัยอยู่นี่นยมันอยู่มันอยู่ที่สูงอะ่ะมันมันไม่อยู่ใกล้ทะเลด้วยสร้างเรือสมมติว่าอยู่ไหนอะ่ะอยู่ลาวอย่างเงี้ยลาวเหรอเขาบอกว่าลาลาวนี่ยมีกองทัพเรือ ท, ทั้งดังดีลาไม่มีทะเลผมไม่แปลกประเทศไทยนี่มีกระทรวงยุติธรรม ท, ทั้งดังดีประเทศไทยไม่มีความมิตรา น, นี่เขาแซวเรานะไม่รู้ใครตั้งมุกนี่เป็นคนไทยหรือคนลาวนะ่ะไม่รู้นะทัวจะลงไห่เนี่ย นี่ต้องย่ยท่านนบีนู่นี่มาสร้างเรืออะไรบนบกที่นี่นี่มีทะเ ล, ะเลนูน่นนะกี่พันกิโลนูนู่นนะมาสร้างเรืออะไรที่นี่นเริ่มสงสัยว่านาบีนูนนี่บ้าหรือเปล่าทำไมทำยังไงอ่ะก็ตกลงก็ไม่คุยและ้ะนบีนู่นี่ไม่ไม่มีเหตุผลแล้วสร้างเรือจบจบละนบีนูก็ฟปอินตอร์วิลล่งตรงถ้าพินหลังพินหลังให้หมายที่หมดจบแล้วเขาไม่ไม่เอาไม่เอา จะแช่งก็ไม่แช่งจะจะจะสังหารก็ไม่สังหารนั่นไม่ยุ่งละเยอะเยออย่างเดียวรู้ถูกอย่างเดียวขอยืนยันนะนบีก็ยังขอยืนยันนบีนัวนะฉันนี่ได้ขอค่าตอบแทนใดๆจากพวกท่านพ่อแม่สัตทุคุมมีนัชชนี่คือประกาศถาวรของบรรดานบีละโหรซูลและคนที่ทํางานเหมือนบรรดานบีละโหซูลไม่ขอค่าตอบแทน ในการทำงานศาสนาไม่มีตั้งเงินเดือนไม่มีทาหน้าที่ดาว่าแล้วบรรยายแล้วนี่อ้าวไหนอ่ะไหนอ่ะซองอยู่ไหนอ่ะแล้วก็มีประท้วงด้วยให้ซองมานี่มีจับซองด้วยหนาไม่หนาเนี่ยนี่จับซองด้วยถ้าจำนวนเนี่ยไม่พอใจนี่ก็มีด่าด้วย นี่ไม่ใช่งานศาสนาตามรอยเท้าของบรรดานาบับเบลและรอซูลทั้งหลายคนที่ทำงานศาสนานี่รับเงินเดือนได้แต่จะบอกให้นะทำไมบ้านเราบ้านเราทำไมโลกมุสลิมเนี่ยเกือบเกือบทั้งหมด เ, เงินเดือนโต๊ะครูเงินเงินเดือนนักศาสนานี่น้อยที่สุดทำไม จ้างครูมาติวนูกสอนเคมีสอนฟิสิกส์สอนสาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาเกาหลีอย่าลืมสอนให้ลูกร้องเพลงเกาหลีด้วยนะเขาเรียกเท่าไหร่นี่ให้หมดเลยไม่ต่อไม่ต่อเลยนะคาบละพันคาบละสองพันแล้วจะมีจ้างสอนเบียโนดิตีตาจ้างเท่าไหร่คาบละเท่าไหร่วางมาเลย เขาให้แต่ลูกเราเนี่จะเรียนนี่ทั้งหมดไม่เรียนกุตอ่านไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียนคุตอ่านด้วยยังไงเราก็เป็นมุสลิมไงต้องเรียนกุตอ่านด้วยจ้างครูมาสอนกุตอ่านครูกุตอ่านบอกว่าข้ามละห้าร้อยแพงแพงจังแพงเหลือเกินทำไมแพงอ่ะแค่สอนคุตอ่านแค่สอนคุตอานห้ารอทำไมรู้ไหมทำไมเขาดูถูกต๊ะครูไห ก็พอโต้ครูไม่ทั้งหมดนะแต่ส่วนมากจํานวนไม่น้อยนักศาสนาคนสอนศาสนาคนทํางานศาสนาจํานวนไม่น้อยทำลายศาสนาด้วยตัวเองเกียรติของศาสนานี่มันอยู่ที่คนที่แบกศาสนาอยู่ในตัวอีวามาลิกนี่นะ ยุของนีมามาล็กเนี่ยมาล็กกับนี่ยนะเของนั่งเซลมัวต่อนี่บรรดาคนรวยคนคนชั้นสูงอ่ะบรรดาคาลิฟา่าบรรดาผัวรักอะไรต่างๆนี่นะการที่เขานั่งอยู่กับอยู่กับ พ, กพวกเนี่ยแล้วก็สามารถพูดได้เนี่ยว่า หัดด <mid> ัชนีมาลิกฉันได้ยินอิหม่าลีเกรงงานหัดีสเ่านี้ตาเนี่ยเนเขาบอกว่าเท่ากับเท่ากับเรานี่มีนาฬิกาเรือนละสองล้านเองแต่ตอนนั้นนะใครจะอวดใครนะในเรื่องความร่วนหัดดชนีมาลิกโอ้โหนีฉันเคยนั่งฟังหัดีิสจาอิหม่าลีอิหม่าลิกหัดดัชนีเรงานฮารุนอัรชีร์ขลิฟา เขาก็สุดยอดแล้วเนะีของใครดีไรงานมัวตะนี่ของอิมามาลิกนี่คือชนชั้นสูงอะทุกคนอุลมามะที่ได้เรียนรู้กับอิมามาลิกนี่นะกลายเป็นคนดังในในโลกมุสลิมฮารุนโรซีบอกว่ากูจะตายยังไม่มียังไม่เคยฟังฮะดิษมวัวตะมาลิกไม่ได้เขียนหนังสือนี่ในฐานะที่เป็นขลิฟานี่นะถึงอิมามาลิกบอกว่าท่านนี่นะเดินทางนี่มาหาชั้นที่แบกแดด น, นี่มาลิกอยู่บ้าดีนะ มันอ่านว่าป้านี่ให้ฉันฟังนี่ระดับผู้นำนะระดับตรงเชื่อฟังผู้นำใช่ไหมตร ง, งเชื่อฟังผู้นำอีมันไม่ได้เขียนหนังสือตอบบอกว่าท่านฮารุนชิเนี่อนานาจักอาบบาเซียเนอะอาบบาเซียนี่ก็คือ ลูกหลานอัลกับบะสิบนะอับดุลมุตัลิกก็เกิดในอาีตอีกน้องนบีอิมามเลขาเลยเขียนหนังสือบอกว่าพวกท่านนี่เป็นลูกหลานนบีรู้คุณค่าของฮานีสนบีรู้คุณค่าของความรู้อัลไลล์มูอัลอิลมยุตาวลายอตีความรู้เนี่ยต้องไปหามันไม่ใช่ใครความรู้นี่มาหาเรา ท่านเป็นลูกหลานน บ, บีเนี่ยคงต้องเป็นผู้แรกที่ต้องให้เกียรติความรู้ที่มาจากท่านน บ, บีหาวุฒิราชยกทับเลยจันแพทย์ลิฟ้าก็จะเดินทางคนเดียวไม่ได้นี่มากันทั้งรัฐ บ, บาลอะไงมาหมดเลยเพราตุกตุกงบริหารประเทศชาติด้วยยกทับมามาหมดเลยมามาดีน่านี่มาดีน่านี่สถ า, านวันไว y เลยใครมาขลิฟ้าไมาทำอะไรมาฟังอิ ม, มามมล л и แล้ว น, นกอิหม่มมามลิกอิหม่มมาลิกนี่ตอนนั้นนะ่ะเขาบอกว่าอิหม่มมามลิกนี่มีมีชื่อเสียงยิ่งกว่าบรรดาขลิฟะคนมาจากอันดาลุสนี่มาจากอันดาลุสนี่ห่างจากมาดินาเนี่ยเป็นพันพันกิโลเลยนะเดินทางนี่เป็นเดือนเดือเลยนะหกเดือนนี่ก็จะถึงมาดีนาไม่สนใจะจะไม่พบพูวอาไม่พบคอลิฟะไม่พบใครอ่ะขอพบอิหม่มมาลิกดังกว่าผู้นำประเทศดิ เพราะอะไรอ่ะเพราอิหม่มมาลิกนี่ให้เกียรติความรู้ไงอิมา ม, ม่าลิกเนี่ยเวลาเขาจะรายงานหะดีเสียเราจะสอนหะดีเสียนะต้องอาบน้นาบาําจะนนะบ้าใส่ใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดของเขาใส่น้ําหอมที่ดีที่สุดแล้วก็นั่งจะมีคนอ่านอ่านฮะดีเสียอะไรก็จะนั่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งมไม่ขยับเลยเคารพฮะดีเสีย เขาบอกว่านั่งอยู่ครั้งหนึ่งไง น, นะแมงป่องนี่เข้าไปต่อย ม, ามาันมันต้อยตอยเลย ม, ามาันไม่อยากจะแสดงความเจ็บปวดเพราะกำลังอ่านฮะดิสตาบีให้เกียรตินี่ก็เพราะเรื่องรเราื่องแบบนี้ไนงะไม่มีใครดูถูกเขาอะเรื่องแบบนี้ไงพวกบรรดาคนรวยคคลิฟ้าเนียส่งเงินทีหนึงนะ่งเนี่ยเงินฮัตเงินอะไรหนึง่งเงินเป็นทองคำนี่เป็นล้านอนะ มีบทแบบนี้ไงเขาเนี่หนีดุนยาดุนยานี่ก็วิ่งตามเขาแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าผู้รู้เนี่ยวิ่งตามดุนยานี่ไงคนที่วิ่งตามดุนยานะดุนยาก็จะวิ่งหนีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักศาสนาบรรดานบลและสุนเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างของนักบุชกาสนแลวทุกคนที่ทำงานศาสนาฉันไม่ได้ขอ ถ้าตอบแทน ไ, ได้เขาบอกด้วยเหตุผลนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลและสัลลัมห้ามถูกห้ามไม่ให้รับ zakat แล้วถึงแม้ว่าท่านนบีหรือใครในครอบครัวญาติตระกูล น, นบีเนี่ยยากจนนะรับ zakat ไม่ได้เพื่อตัดตัดข้อสงสัยว่านบีนบีนี่ทำงานศาสนาหากินกับศาสนา zakat นี่ไม่ได้เลยห้ามรับ zakat แล้วมรดกนบีเนี่ยมีมรดกมีทรัพย์เช่ามาจะทรัพย์เช่เลยอะไรต่างๆนี่มีทรัพย์เช่าไหมใช่แต่ไม่ให้เป็นมรดกกับลูกหลานมาตรกนาฮูสดะกะสิ่งที่ท่านนบีทิ้งไว้เป็นมรดกนี้นะสดะกะต้องสดะกะไปอินอจริอัลลัลลอฮทําำเพื่ออะไรอะคนที่ทางานศาสนาเนี่ย ฉันไม่ได้ข อ, ขอไม่ไม่ได้ขอค่าตอบแทนใดๆจากพวกท่านแต่ยกเว้นแต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอ์การที่เราแค่เอาประโยคนี้รางวัลของฉันเน่อยู่ที่อัลลอ์ตอนที่ทำงานศาสนาตอนที่ทำงานดาวะตอนที่ทาอะไรก็ดาะเพื่ออิสลามเพื่ออัลลอฮ์นี่นะ รางวัลของฉันนี่อยู่ที่อัลลอฮ์นี่สูงเลยนะสูงส่งเลยนะแล้วเราจะลิ้มความอริดอร่อยความสุขความเราจะเราจะรู้สึกถึงความความมีสเสน่ห์ของคนที่ไม่ต้องการอะไรเลยเราจะเห น, นื่อยเราจะเจ็บปวดเราจะทุกข์ทรมานเราจะเราจะถูกซ้อมเพราะราเพราะเร า, เพร า, เ, ราเพราะเราทำดีกับคนอื่นไง เราเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรพะเราไม่ได้หวังอะไรจะเข้าราหวังจะกอดโลจดจําไม่อยู่ในหัวใจไม่จําเป็นต้องงานศาสนาท่านไม่ต้องเป็นนักวิชาการนะเป็นคนที่แบบว่าดาว่าเผยแพร่ศาสนาเหมือนบรรดาดาวิมไม่จำเป็แม้กระทั่งภารกิจเล็กๆทํา ง, งานศาสนาภารกิจเล็กๆการังดาว่าให้คนมาละมาดอย่างเนี้แดาว่าไอ้คนนี่เล็กบุรีแค่เ ล, ๆๆเล็กๆนอสิหาเล็กๆเนี่ย น аз ีหัด้วยแล้วจดจไง้ามืออัลลอฮ์จีอิลลอาลลอฮอินจีอิลลอาลลอฮม้สั่งเล็กุณมีอิจรอินจีอิลลอาลลอฮ์อจ์อจ์อจ์ไปว่าขาดบแทนเงินเดือนค่าจ้างค่าปรจ้าไม่ได้ขอค่าจ้างนอกจากสิ่งที่อัลลอฮที่ได้จากอัลลอฮ์แสดงว่าแท้จริงแล้วเนี่ย เราเป็นลูกจ้างของ Allah เพราะนี่คือ Ajir ข่าจ้างของฉันนี่นะเอาจากใครอ่ะ a l l ไม่ถิดนะที่จะคิดแบบนี้เพราะอ l ล a h a l l a ก็พูดในกูรานิน้องนี่ฮะลดุลลุุมะลทิจาระตินดุนจิกุมินาะะบินอัลิมทิจาระอยากจะรู้ไหมการค้ากับ Allah นี่ตูมีนูนบิลไลวะรษูลอุดายงนี้อย่างี้นี้งี้ล a l l a จะให้เขาสวรรค์ อินนั่ลลอฮฺอัลอาอิษฺม์นราะะะะะะะะะะะะะะะาะะะะะะะะะะะะะะะะงะะะะะะะะะะะะงะะะะะะะะะะะะาะะะนะะะะะะะะอะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะกะระะะะงะะะะะะะะะะะะะะะะ โอ้ oh. ออกช่องสามช่องเจ็ดช่องแค่เป็นลูกจ้างคนดังในสังคมมนะเอามาอวดชาวบ้านแล้วทำงานอะไรอ๋อผมทำงานกับท่านนะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนู้นลูกจ้างลูกจ้างคนดังๆในสังคมแนะแค่นี้เนี่ยเราก็เดินแบบนี้แล้วสึก ไม่มใจลูกจ้างทูนะลูกจ้างอัลลอ์นี่ใช่เป็นลูกจ้างของอัลลอ์ได้นะทำยังไงอ่ะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนรู้จักอัลลอ์ให้เมียรู้จักอัลลอ์ให้สามีรู้จักอัลลอ์ให้ลูกรู้จักอัลลอ์ให้เพื่อนรู้จักอัลลอ์ยงไกนเฮ้แกรู้ไหมว่าถ้าเราทำ แบบนี้อัลลอฮ์จะให้ผลระเ บ, บิเนี่ยเขารู้จักอัลล์มากขึ้นว่าอัลลอฮ์ตามทานี้เนี่ยเขารู้จักอัลล์นี่นี่เป็นลูกจ้างอัลลอฮ์เท่ากับเท่ากับเราทำเท่ากับเราทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลให้คนเนียรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นอินถ้าคนไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์เลยแล้วก็รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็สพรพายมีอัลลอฮ์ด้วยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเยอะนะ ขือบอกกับหน้องว่าเราดาว่าสังวีทีนี่ดาวตุนบิลฮลว่าดาวตุนบิลมาลดาวด้วยวาจาอัน น, นี้เราพูดเรื่องราวของอัลลอฮ์ในคุตาในคดีนั้นเราก็ไปบอกบอกับชาวบ้านนี่นิวาจาดาว่ตุนบิลฮัลฉันเนี่ยพูดไม่เป็นฉันเนี่ยว่าทั้งเขินทั้งอายทั้งอะไรโอ้พูดไม่เป็นหรอกอย่าให้ฉันทำเรื่องนี้เลยดาวตุนบิลฮลดาว ดาว่าด้วยการิยามรายาด้วยวิถีวิถีชีวิตของเรามรารยาทแล้วเวลาคนถามเนี่ยอทำไมทไมท่านทำแบบนี้นะอ๋ไปเรียนมาที่ฝรั่งเศสอันนี้แสดนว่เป็นลูกจ้างมาครอนนู้นเชิญไม่ดีถ้าสิ่งดีๆที่เราได้มาได้มาจากอัลลอฮ์นี่บุญคุณแท้ๆนี่มาจากอัลลอ์ถ้ามีใครถามอ๋อนี่ยังไงอะ อิสลามครับอิสลามอย่าอายนะครับที่จะพูดว่าเราเป็นมุสลิมความดีที่เรามีเนี่ยมาจากพระเจ้าที่จริงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมก็ได้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมไม่ต้องเล็บเล็บเพิ่งมาเป็นอิสลามอย่างเงี้ย และความรู้ความดีหลายอย่างนี่เราก็อาจจะไม่ได้จากอิสลามอาจจะมาได้จากใช่แต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะเป็นอิสลามเนี่ยเราก็ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะเราไม่ได้เป็นบ่าวของของบรรดาเจว็ตจอมปลอมมต่ไม่มีอัลลอฮ์ก็ยังเป็นประเจ้าของเราแล้วโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ความดีจากใครก็ได้มาเนีก็เป็นโอกาสที่อัลละฮ์กำหนดให้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นบีถูกถามนบีไม่ปฏิเสธความดีก่อนที่จะเป็นมุสลิมนะนบีถูกถามว่าคนนี้นี่คือใครอ่ะนบีก็เลยบอกว่า خيارهم في الجاهليةخيارهم في الإسلام إذا فقهو คนในยาฮิลียานีก่อนที่จะเป็นมุสลิมถ้าเป็นคนดีนะนั่นน่นก็คือคนดีเนี่ยฟิลอิสลามเมื่อเขารับอิสลามแล้วแต่ถ้าเขาฟะ ق ูฟะ ق ูหมายถึงว่าเพิ่มความรู้ของอิสลาม จะเพิ่มความรู้เพิ่มคุณค่าของความดีไปด้วยเป็นลูกจ้าของ a l l a นะแล้วก็ต้องภูมิใจว่าอ้ยิรตอันกูนมีนัลมุสลิมีนเผยตัวว่าเป็นมุสลิมและฉันถูกใช้ถูกสั่งให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมมุสลิมมุสลิมดอนอบน้อมไงเป็นคำประกาศของบรรดานาบดแลลาะหสูลทั้งหลาย لا خلني رن قانع لاني خوش خامني مسلم مسلم ب ن ا ن بينو من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا أكون من المسلمين نبي نوح نبي إبراهيم نبي يوسف ما ق د ن راشني بالقص ا س ل م ت م ع سليمان لله رب العالمين ع ش الإسلام جنك إسلام هنك เพราะอิสลามนี่หมายถึงว่ายอมจำนนต่อพระเจ้าองค์เดียวนี่ทุกคนมนานาบีอะลัยซูลเลื่อตานาบีอาดา ม, มัยนะมนุษย์เซชทั้งหลายเนี่ยไม่มีพระเจ้าสำหรับเขานอกจากอมรอดอีกการนอบนอ้อมจำนนจำนนตัวเองว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนั่นแหละคืออิสลามถึงแม้ว่าในยุคของนบีมูซาเนี่มีศาสนาบัญญัติเฉพาะเฉพาะยุค เรียกว่ายาฮูดีสมัยนบีอีซานี่เฉพาะยุคเรียกว่าเรียกว่านอสรานีเฉพาะยุคแต่โดยการจำนวนน่ยความเชื่อหลักๆกันนะมุสลิมทั้งนั้นนะมุสลิมทั้งหมดไม่พอพกบูพวกเขาก็ปฏิเสธปฏิเสธเขาปฏิเสธนบีโนะนบีนนะเนี่ก็รอดด้วยเรือพอน้ําท่วม น้ำท่วมเนี่ยทั่วโลกหรือเฉพาะพื้นที่กลุ่มชนของนบีนู ح. เรือของท่านนาบีนู ح, ไปจอดอยู่ที่ไหนอัลฟุลเนี่ยแล้วคนที่ขึ้นไปกับนบี น, เนดดูเนี่ยรอดได้นี่มีกี่คนและหลังจากที่น้ําแห้งแล้วจากทั่วโลกหรือเฉพาะในพื้นที่เนี่ยคนที่เหลือนี่ในโลกใบนี้เนี่ย มีเฉพาะนาบีนูและกัคนบนเรือหรือมีพื้นที่อื่นๆที่น้ําไม่จมและในข้อเนอที่บอกว่าอ๋อนบีนูและกัคนบนเรือเฉพาะที่รอดแล้วคงมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นแล้วก็มีลูกหลานเฉพาะนาบีนูหรือคนอื่นด้วยนี่ทั้งหมดเรื่องนี้ยจะพูดในสัปดาห์หน้าแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮฺให้เรามีชีวิตต่ออินชาอัลลอฮฺมีคําถามไหม ไว้ผมตัดผมนะครับผูยย้ชายได้ทุกทีอนุญาตและห้ามก็ผู้ชายนีตัดผมได้ไม่ตัดผมก็ได้แต่มันมีข้อแม้ใ น, นเรื่องตัดผมเนี่ยข้อแม้เดียวนะก็คือไม่ให้โกนบางส่วนแล้วก็ไว้บางส่วนโกนเลยเนี่ยนะโกนบางส่วนแล้วก็ไว้บางส่วนอันนี้เขาเร mm ียกกระจาเวลมาขัดแย้งกันว่ามารุหรือฮารอมถ้าแสดงอยู่ตรงนี้มันฮารอมไม่ควรทํา สำหรับผู้หญิงนี่ตัดผมได้แต่ไม่ควรตัดผมให้ดูทรงเหมือนเป็นผู้ชายเพราะจะเป็นการเรียนแบบผู้ชายแต ถ, ถ้าตัดผมยังพอยาวให้ดูเหมือนยังเป็นผู้หญิงเป็นเพศสตรีนี่นะก็พอได้ไม่ต้องยาวไม่ต้องผู้หญิงไม่มีข้อ บ, บังคับว่าต้องไว้ยาวห้ามตัดเลยในช น, นิดตัดได้ผู้ชายเนี่ก็ไวผมยาวได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดี หมายถึงว่าไว้ผมยาวไม่บาปนะแต่ไม่ได้เป็นสุนน na ของท่านนาบีนอกจากว่าจะปฏิบัติสุนน na ของท่านนาบีทั้งหมดนี้เกี่ยวกับศีรษะเพราะมีบางคนเนี่ยเอาสุนน a ขอนาบีเฉพาะไว้ผมยาวไว้ผมยาวยาวผู้ชายนะไว้ผมยาวทําอะไรอะสุน na ขอ น, านาบีนบีมีอย่างอื่นด้วยไม่ได้มีเฉพาะผมใไหม สำหรับผู้หญิงนี่นะก็มีเรื่องเยอะละ่ะพอไหมเรื่องผมนี่เป็นหนังสืออย่างนี้เลยผมแต่ก่อนต้เคยทํางานใหญ่แค่นี้พอมหมมีเรื่องอื่นมีอะไรที่เจาะจงไหฮะไม่มีนะแต่พอใช่ไ่มที่พูดตะกี้นี่โอเคมั้ยที่เชบอกว่าท่านโดนบางส่วนไว้บางส่วนปัจจุบนันนี้ครับเาต อยไม่คือถ้าถ้าให้บางส่วนนี้ที่มันสั้น่ะผมบางคนนี่มันมันมันตรงไงถ้าตัดบางบางส่วนนี้ได้แต่ไม่ถึงขั้นโกนโกนนี่เหมือนเหมือน เ, อออเนี่ยทรงรอดเนี่ยประมาณเนี้ยแต่นี่เขาบังคับไงรอดเนี่ ย, ออ เ, ยเขา เออบังคับเนี่ลูกผมนี่ยผมเคยบอกว่าไปคุยไปคุยกับอาจารย์ผมไม่ได้เลยมันทหารไงเรียกส่งมาไทยป่ะส่งเค่ไหมเออส่งส่งทหารอย่างเงี้ยมันต้องโกนโกนโกนอย่างนี้เลยอ่นะ Cor แล้วก็ตรงนี้เไว้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้จะจะจะเอาหลอเลยไม่ไ ด, ไได้แต่ถ้าถูก บ, บังคับนี่ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าจะตัดบางส่วนนี่ไม่ถึงขัง้นคําว่าโกนนี่หมายถึงว่าใช้มีโดโกนนะโกนนี่คือใช้มีโดโกนเก่งเล ย, ย แล้วก็บางส่วนก็าไว้เสียชีวิตจากโควิดอย่างนี้เป็นชีวิตตายหวังว่าจะเป็นอย่างนันนะครับเพราะโควิดนี่มันเป็นเหมือนต้ออ้วนนี่เป็นโรคระบาดแล้วก็มีหะด i s ของท่านนายบีว่าคนที่เสียชีวิตในโรคระบาดนี่เป็น ش ه ي หวังว่าจะเป็นอย่างกันนะครับพี่แต่ شهيد เนี่ย شهيد ش ه ي อุบัติหจาโรคจากโรคระบาดอะไรเงี้ยนะไม่เหมือน شهيد สมรภูมินะ ใสมรุรภุมเนี่ยเขาไม่อาบนา้าเขาไม่ละหมาดยันาซ่าให้เนี่ยแต่นะส่วนมากแต่คนที่เสียชีวิตในโรคระบาดอะไรเงี้ยนี่เขาต้องอาบน้ำ ม, มายิดให้ต้องละหมาดยันาซ่าให้อันนี้คือขอ้อแตกต่างครับมาว่าเก้ามีนี่แปลว่ากลุ่มชนกับอุมมตีอะไรยเนี้ยครับที่แปลว่มม า, อ, าอุมาขนอะย่าครับอุมาเนี่มันใหญ่กว่าเก้ามีอุมมตีนี่ใหญ่กว่าเก้าเก้ามีามากลุ่มชน เพรนบีก่อนๆหรือนบีนั้นนบีประมัติปานอัไหนวะมันก็ได้แก่ยาเข้ามีเขามีเพราพอวลานบีพูดเนี่ยบางทีก็พูดกับเฉพาะอุเรชไงถ้าเข้ามีก็ได้ครับมันไม่มีอะไรเฉพาะแต่ว่าของตนวก่าอะไรมีหลายอย่างอะถ้าตกแล้วแล้วก็เสียหายในอินนาลิลลัยเวไนแลงโรโยมีฮะดีสวอกว่าอะไรที่มันสะดุดเนี่ยถ้าเดินแล้วสะดุด น บ, บีให้ก่าวบิสมิลลาทำไมเพราะเราไปทัว่วโวยวายอะไรนะเชตตอนนี้มันจะดีใจเวลาเราสะดุดหรือมีอะไรตกแลกว้วก็โวยวายเช่นกาแฟาไปสั่งไปสั่งอเมซอนกาแฟร้ 120. อยี่สิบสตาร์บัคเดี๋ยวนี้ใบข อ, อดกันปะสตาร์บัคเท่าไหร่สามร้ที่ไหนนี่สตาร์บัคปอม <laughs> ถามเลยแล้วก็ดันหกอะ่ะส่วนมากเนี่ยถ้าคนไทยอ่ะนะทํายังไงอะ่ะตุยละตุยละไม่นบี บ, บอกว่าถ้าพูดแบบนี้นะเชตอนเนี่ยมันจะโอหังเลยบอกว่านี่นะทําให้มันแยนะ่แต่ถ้าเราแบาบิสมิลลาห์นี่หมายถึงทุกอย่างนี่เกิดด้วยอนุมาตจากอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ ซึ่งอันนี้มันตอบโจทย์อะไรหล่นอะไรเกิดสะดุดอะไรเนี่ยมิสนุลล่หรือคือสิ่งรุนละอื่นก็ได้นะมันไม่มีอะไรไต่ตัวถ้าเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายเหนือกว่าเหนือกว่าที่เราจะกล่าวอินเนอินเลยวยอินเนอินเย์โรจูรอัลฮัมดุลิลล่ะแล้วก็ตอบใจด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺอนุมันิยมดีเสมออะไรแบบนี้อัลฮัมดุลิลลัดดรัลลอฮวะมชาฟลถ้ามันเป็นมุสีบะเตเป็น บทดสอบต่าง ๆ, ๆอันนี้ก็มีฮะดีษตัวบทกัดรลลามชยาอัฟเยอะไหมจำได้ไหมหลายอย่างเนี่ยเยอะแต่นะบิสเบลล่าง่ายที่สุดแลยที่บ้านเราไมชุัอัลลอฮะไม่ผิดั้ไม่ต้องไปเจเาว่าเปียนแต่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่ผิดนี่อัลลอฮ์ <S 2> <S 2> ตก่ะผิดอัลลอฮ์ตกอัลลอฮ์ลนงเงี้ยผิดไม่ควรคือเจ ต, ตนาดีเนี่ยใช่ เจตนาดีแน่นอนแต่แต่คือมารยาทเนี่ยใน h a d i ของท่านนบีสลตานสุลแลมแม้กระทั่งในคุรานนะนะมันจะมีเรื่องมารยาทในการลำดับประโยคลำดับคำถ้าคำที่ทำให้สงสัยว่าเป็นคำพูดที่คุ้มเคือนะนะไม่ได้ต้องพูดให้ชัด r p ولا يحزن قل لهم إن العزة لله ะเจ้าอย่าทำให้คำพูดของเขา ให้เจ้าเสียใจอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็อินเนลไลซ์เจตีเลเจแท้จริงอํานาจทั้งหลายนี้ของอัลลอฮ์แต่ถ้าเราอันอันต่อเนื่องเวลาส่งเข้าลูมอินเนลไลซ์เจตีเลเอาจจะเข้าใจว่าคําพูดของเขาที่ว่าอํานาจของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นของเลาทั้งปวงเลยนะอย่าทําให้เจ้าเสียใจไม่ใช่ครัพูดนี้ ทำไม่อเสียใจได้ไงอ่ะเนี่ยคำพูดเขาบอกว่าคำพูดที่มันคุ้เคือทาให้สับสนเนี่ยต้องระวังทะนั้นเราตกและหลนนี่เนี่ยไม่ไม่สวยงามเลยาการนั่นชอพุตอนยกนิ้วนะครับมีมีกรีินิ้วอ่เนี้ยจะทาบมนะไม่มันมีอย่างนี้อุลมามมันมันฮะดีมันฮะดีมาณปส เ, เนเอร์ี่ยที่เขาอ้างกันทั้งหมดนี่นะว่า ท่านมบีชี้นิ้วทั้งสองทศน่นี่ที่บอกว่าชี้กับกดิกเนี่ยใช้ฮาริซเดียวกันแต่มันมีหาริสบทหนึ่งที่มีว่าชี้นิ้วนี่นะมันมีประโยคคําว่าอยู่ฮาริกุฮากดิกถ้าคําว่าอยู่ชีรูบีอุสบุยชี้นิ้วอย่างเดียวคำว่าไม่กระทั่งชี้นะชี้ไม่มีกดิกหาริสเกือบทั้งหมดเนี่ยมีคําว่าอยู่ชีรูชี้อย่างเดียวชี้ไม่มีกดิกมีแต่บทเดียวนะที่มีอยู่ฮาริกุฮะ ซึ่งรายงานส่วนมากบรรดานักรายงานส่วนมากเนี่ยเขารายงานหะดีสที่มีคําว่าชี้ไม่ได้รายงานคําว่ายุฮาริกัวมีนักรายงานฮะดีสคนเดียวที่รายงานคําว่ากดิกยูฮาริกุฮานบีกดิกอัลมาส่วนมากนักตรวจสอบฮะดีสเขาบอกว่าคําที่เพิ่มมาในอยู่ฮาริกุฮานี้นะไม่น่าเชื่อถือเพราะมีเพียงผู้เดียวที่เป็นนักรายงานฮะดีสที่รายงาน ตื่นจากเขายุคของเขานี่มีใครราย ง, งานจึงเป็นเหตุผลของนั ก, การายงานฮะดีสที่จะสงสัยบางคําในหะดีสนี่นะนั ก, การายงานเล่าเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเปะ๊ปะๆเลยนะทุกคำเลยนะยกเว้นคนเดียวรายงานอันนี้เพิ่มความละเอียดของนั ก, การายงานฮดีสโอ้หนิอันนี้อันนี้ไว้ก่อนพอไปเปรียบเทียบดูนนดเนี่ยปรากฏว่าในต่ละยางเนี่ยมีท่างสรรเสริญอัลลอฮ์มีทั้งดวอาตออัลลอฮ์ ซึ่งการส่งเสริมาละดุอานีนะฮะดีสอื่นนะนะมีสุนนะของท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยซูละละมให้ชี้เช่นนบีขอดูอาบนิมบารวนสุกเนี่ยนบีชี้ฮะดีศัุลลามีอับบาสวละขอดูอาชี้ชี้อย่างเดียวนะไม่กระดิกนะไอ้วันสุกเนี่ยนบีดูอาเนี่ยชี้อย่างเดียวก็เลยก็เลยสอดคล้องกันว่าอสดงว่าชี้เนี่ยมันมีความหมายของคาว่าขอ คงคาว่าเสนอพระเจ้าสอดคล้องกันจริงสอดค้องกับเขาว่าชี้ในหมายที่หัวละอง์เดียวฉันหัวละองเดีย ว, ออยวแต่กระดิกนี่มีความหมายอะไรอันนี้อันนี้ก็เป็นอิกอันนี้ก็เป็นอีกแรงงานหมายในอีกอันหนึ่งนะเขาบอกว่าชี้เนี่ยทําไมชี้เขาบนบี บ, บอกว่าเป็นไม่คอนตีเซตอนแต่ใครบอกว่า ใครบอกว่าต้องกรดิกเจไดตีแค่สุจูดของเราเนี่ยกระทำไม่ใช่ตอนนี้แค้นแล้วสุจูดเฉยๆเนี่ยเขาแค่แข็งแล้วเราไม่ต้องสุจูดแล้วก็ทุบหัวเนี่ยจะตีนี่ยตีจะตีแรงงานเกียร์อะไรนะมันเข้าใจมันเข้าใจศาสนาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ใช่ตอน ไม่ใช่ฮาริสไอด้วนะอ้แดงตีนนะฮาริสไอด้วยนะอ๋นะยอปลายปลายนิ้วครับเฉพาะเฉพาะตอนนั่นตัชนั่งตัชชาุษนะนะมองที่ปลายนิว้วตอนตัชชารุษตั้งแต่เริ่มจนจนจะสลามหลังุดมองที่พื้นที่จริงเนี่ยมันไม่มีฮาริสตายตัวว่าให้มองที่พื้ น, นมีฮาริสหมเดียวแต่เป็นฮดีิสไอดย อุลามาส่วนมากที่บอกว่าให้มองที่พื้นเนี่ยเขาก็ยึดฮะดิษนี่แหละที่เป็นดอยบ์เนี่ยแต่ถ้าเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่สามารถเป็นข้อบังคับว่าต้องมองที่พื้นที่ที่สุญญดไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเหตุผลไต่ตัวที่เป็นหลักฐานใต่ตัวเพราะฮะดิษมังดอยบ์เนี่ยแต่ทัศนะอุลามาส่วนมากเขามีเหตุผลอย่างอื่นว่าให้มอง ให้มองที่สุยูเนี่ยเพราะมันสอดคล้องกับความตุมะนี้นะความชาั่วอ่อนน้อมซึ่งมันจริงลองคิดดูสิถ้าเราไม่มองถ้าเรามองอย่างเงี้ยมัสฮับมาลิกมัสฮับเดียวว่านะที่อันญาตให้มองให้มองของา้างหน้าเพราะเขาบอกว่านี่กิบลัดกิบลัดนี่มันอยู่ขา้างหน้าใช่ปะแล้วเราบอกว่าฟปว่าลูยูฮะกุปชัตระลมาซิดฮอร์ให้ผินหน้าไปยัง ทิศของมัสยิดฮ่องยิ่งมาไมลิมีําชับด้วยนะมัสยิดไมลิมีกาชับด้วยว่าถ้าอยู่นั่หน้ากาบ้านนี้นะทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำอย่างนี้มองกาบว่าอันนี้กาบ้านแตันนี้กิบลัดมันอยู่นี่แล้วก็ต้องมองกิบลัดแต่ทัศนาอิสลามส่วนมากเนี่ยไม่เห็นด้วยทัศนาอิลามส่วนมกว่าถ้านี้เนี่ยมันไม่ใช่ท่าขรุขมันไม่ใช่ท่านอบน้อมแล้วยิ่งท่านี้ล่ะ มี่แค่ท่านี้เนี่นะโอลมาส่วนมากไม่เห็นด้วยในพระเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยกับมัมมาลิคในพระเรื่องนี้แต่ท่านีนา้แหละสอดคล้องเลยคนขัช่วท่มัมมัสิทารอมที่มักการใช่ไหมเพ่อนที่มัมจะอยู่หลังจากมัมมูมแต่ท่านมิทโรวีเนี่ยมามไม่สามารถไม่มันไม่ใช่อย่า ง, งานั <c> ้น <oughs> <c oughs> ก่อนอื่นเนี่นะที่ฝ่ายบริหารมสิทารอมเนี่ยเขาทาเป็นบางช่วงซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยเขาใจว่าตะก่อนนู้นน่มีแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วตะก่อนนู้นน่จะมีบางช่วงโดยเฉพาะดูรีก่กาซีแทแดดแรงนะจะให้อิหมามเนี่ยไปอยู่ใต้ใต้ห้องห้องห้องเครื่งเสียงแล้วก็แล้วก็พื้นที่ตั้งแต่อิหมามยันกาบ้านเนี่ยนะเขาจะไม่ให้เขายืนเลยก็ใครจะเริ่มซอ่อมนี่ต้องเริ่มซอฟห่างๆจะ ตำแหน่งเยเข้าใจว่าเป็นตะก่อนนู้นตอนนี้เนี่ยผมไม่เห็นแล้วนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยก็คือ ถ, ถูกติงถูกติงว่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมตอนอยู่ที่นู่นเนี่ยเมื่อประมาณห้าสิบปีนะเขาก็ทําแบบนี้แต่ตกอนนู้นคนน้อยคนน้อยมากถึงขนาดที่ว่าจะคนยังอะไรฉันจะไปยืนตากแดดนะ่ะเขาก็ไปละหมาดข้างในในใ น, ในอาคารนะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคนเยอะอิหม่ามขอให้ทอยเนะี่ยคนก็ เขาก็ยังอยากจะอยู่ใกล้กาบ้างไงคราวนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นช่วงดูรี่เอาซีเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะดูว่าทิศไหนที่กาบ้าเนี่ยมีร่มเงานะเขาก็จะมาหันมาให้กิบลัดอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลังช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะเพราะเขามีร่มมาให้เลยนะให้ให้อิหม่ามนี่มามาไอนี่เลยอันนี้เท่าที่ผมดูนะไอ้เรื่องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วนะมีไ่มตอนเนี้ยัยงมีอ่ะเห็นปะ سبحانك اللهم بحمدك شهدوا لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله